มีคำถามทางอินเทอร์เนต็ตก็บอกว่าวันนี้จีวนรนอาจารย์สีแปลกไปอ๋อผู้ส่งคำถามส่งมาเมื่อวานอ๋อสงสัยเมื่อวานนั้นใช้สังคติห่มเพราะว่า เป็นวันโกนแล้วเอาจีวรไปซักย้อมไม่มีจีวรห่มก็เลยเอาสังกติมาหม่มนี้สังกติเป็นผ้าผ้าเก่าน่าจะ 3- ามสี่ปีละก็มันก็เลยสีเข้มพอมันถุย้อมทับนานหลายปีแล้วก็โดนแดดมากสีแก่นขนุนแก่นไม้เนี่ยยิ่งโดนแดดยิ่งเข้มมันจะเข้มเดินหน้าไปของมันเองอย่างจีวรอาตมาเพิ่งเปลี่ยนใหม่เนี่ยก็จะสีอ่อน เปลี่ยนเมื่อหลังกระถินเนี่ยแต่เดี๋ยวโยมดูแหละสีมันจะค่อยๆเข้มขึ้นเข้มขึ้นเข้มไปเรื่อยๆนะเราจะพยายามรักษาสีให้อ่อนอย่างนี้ก็ไม่ได้มันเป็นธรรมชาติของมันไปเองนะอันนี้ก็ก็เหตุปัจจัยของมันอย่างนี้โยมจะได้ดูสีจีวรเป็นจีวรเกา่า <c> จ <oughs> ีวรใหม่อย่างนี้ น, นี้จากหนองคาย27เหรอ28วันนี้มีผู้ชม172ตั้ดงนจากไทยลาวฮ่องกงญี่ปุ่นเกาหลีไทยออสเตรเลียอเมริกาฝรั่งเศสแล้วก็สวีเดนอันนี้คำถามเมื่อวานจากหนองคายได้พบการบรรยายตามของพระอาจารย์ทางเว็บไซต์ ได้ได้ฟังเทปการบรรยายธรรมของอาจารย์มาประมาณ 3-4 สเดือนโดยประมาณรู้สึกทราบซึ่งในคำสอนของพระพุทธเจ้าดังท่านกล่าวว่าไปเราะในเบื้องต้นถ้ำกลางและที่สุดใช่คำพุทธเจ้าไปเราะเป็นระเบียบแห่งถ้อยคำจริงจริงนะและก็ได้ฟังเกี่ยวกับคุณสมบัติของการเป็นโสดาบันเนื่องจากเรายังเป็นคารวาอยู่ก็ยัง พอจะหวังได้กระผมพยายามรักษาสินห้าไม่ให้ดังไม่ให้ปร้อยไม่ให้ทะลุและยึดมั่นเชื่อมั่นในคําสอนของพระาศาสดาและพยายามแนะนําคนใกล้ชิดถือปฏิบัติตามดูเหมือนเขาจะไม่ค่อยเชื่ออย่างเคารพนับถือพระอาจารย์โน้นพระอาจารย์นี้ดังเช่นพระอาจารย์เทศบอกสอนเห็นสาวกสําคัญกว่าพระาศาสดาเนื่องจากพระธิวัดเองก็ไม่เคยนําคําสอนของพระาศาสดา มาถ่ายทอดให้โยมผู้ที่ไปทำบุญตักบาตรเลยไม่รู้จะเป็นกรรมของพระหรือของโยมที่นับถือพุทธแต่ไม่รู้คําสอนที่แท้จริงของพระศาสดาด้วยตัวเองอกระผมมีปัญหาคาใจที่จะกราบเรียนถามพระอาจาดังนี้ที่บ้านของภรรยาผมจะกรบนับถือพระพุทธรูปองค์หนึ่งคือพระชัยยาชัยยะเชิถา เมื่อชาวบ้านมีเหตุเดือดร้อนใจไม่สบายจะไปสอบแข่งขันจะไปรับการคัดเลือกเป็นทหารหรืออะไรต่างๆนานาก็จะแต่งขันห้ามีดอกไม้ทูบเทียนไปกราบขอพอรให้พระพุทธรูปดังกล่าวช่วยเหลือแหมเหมือนผู้เจ้าบอกเลยเนาะซึ่งบางคนก็บอกว่าเมื่อไปขอท่านแล้วก็จะประสบความสําเร็จกระผมเป็นมาเป็นเคย เขาพารมก็ทําตามเขาขอเรียนว่าการไปกราบไหว้พระพุทธรูปเพื่อขอพรดังกล่าวยังถือว่าเป็นการปฏิบัติตามคําสอนของพุทธศาสนาอยู่หรือไม่หากไม่ใช่แล้วเรายังต้องกราบไหว้พระพุทธรูปต่างๆอยู่หรือไม่จะทําอย่างไรการบูชากราบไหว้พระพุทธรูปต่างๆเช่น หลวงพ่อพระสายหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อพระแก้วมรกตหรือพระรูปพระพุทธรูปตามวัดวาอารามต่างๆที่ประชาชนส่วนมากมักเดินทางไปเคารพกราบไหว้พระพุทธรูปที่สําคัญที่เชื่อว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองและจะกราบไหว้จะได้บุญกุศลมากให้อยู่เย็นเป็นสุขอย่างนี้ยังถือว่าเป็นการปฏิบัติตามคําสอน ของพระพุทธเจ้าอยู่หรือไม่หากไม่ใช่ทางที่ถูกต้องจะทําอย่างไรอาจจะเป็นคำถามเดียวกันกันกบคำถามแรกพระสงฆ์ที่บวชแล้วจำวัดอยู่ตามวัดต่างๆทั่วประเทศไม่ศึกษาบอกสอนคำของพระพุทธเจ้ายังต้องเคารพกราบไหว้ใส่บาตรอยู่หรือไม่ผมเคยศรัทธา ครบศรัทธาพระองค์หนึ่งซึ่งเป็นสายธรรมยุทธ์แต่ท่านก็ปฏิบัติด้วยด้วยตนด้วยการดูดวงชะตาดูเลิกดูยายต่อชะตารถน้ำมนและอีกองค์หนึ่งก็จะเน้นไปทางอาคมแก้คุณสให้กับชาวบ้านทาเครื่องรางของขลังรรทำตะกุดเป็นต้นหลังจากที่ผมได้ฟังธรรมะของพระอาจารย์แล้วผมไม่กล้าที่จะเข้าไปกราบพระทั้งสององค์เลย ภรายาผมเองก็บอกว่าผมเป็นบ้าชื่ออะไรไม่มีเหตุผลวงเล็บเนื่องจากภรรยาผมไม่ฟังธรร ม, มะพระอาจารย์เปิดให้ฟังก็รำคาญไม่พอใจผมต้องถือเวลาส่วนตัวฟังคนเดียวอเนื่องจากภรรยาผมบอกว่าเขาทํากันมากี่ยุกีก่สมัยแล้วผมขอคําแนะนําว่าผมจะปฏิบัติตัวอย่างไร ไม่ใช่ว่าผมไม่เชื่อคำสอนพระพุทธเจ้าผมเชื่อหมดหัวใจแต่ผมจะทำอย่างไรในการอยู่ร่วมกันกับสังคมรอบข้างที่เป็นอยู่บางครั้งเหมือนกับสับสนตัวเองบางครั้งยากอยากหนีไปบวชกับอาจารย์อยู่เหมือนกันแต่นี่สินยังมากอยู่เดี๋ยวจะเป็นภาระให้คนอื่นเป็นบาปอีกคำถามอาจจะยาวไปหน่อยหากท่านมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว กับอินเทอร์เน็ตช่วยกรุณาส่งคำตอบไว้ที่อ e ีเมลก็ได้ครับหากถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรผมจะหาเวลาเปิดฟังเองครับขอบคุณพระจารย์เพียงเท่านี้อ๋อ <laughs> มันก็ยังมีคนที่ต้องการความเข้าใจอีกเนาะอืมเป็นไรงนั้นที่ก็บอกมาว่า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 ขอโน่นขอ น, ôn, ขอนี่ให้ท่านช่วยเหลือจะไปเกณฑทหารจะไปสอบแข่งขันมีเหตุเดือดร้อนไม่สบายอันนี้มันจะเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิทันทีแบบที่หนึ่งว่ากรรมและสุขทุกเกิดจากผู้อื่นบันดาล น, นะมีพระพุทธรูปบันดาลมีเทวดาบันดาลมีอะไรบันดาลได้นะถ้าโยมกราบอะไรไปสักอย่างหนึ่งเนี่ยสมมุติว่าเราไม่มีพระพุทธรูปเลย แล้วก็มีเหมือนที่เชตาวันวัดเชตาวันอย่างเนี้ยในครั้งพุทธกาลไม่มีไม่มีพระพุทธรูปวัดต่างๆก็จะเกลี้ยงเกลี้ยงเหมือนถ้าเป็นอาสนะที่นั่งพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ท่านเคยนั่งโยมมาถึงโยไมไม่เจอผู้เจ้ากาบอาสนะกลายเป็นอาสนะศักดิ์สิทธิ์ไปอีกแล้วถ้าคนจะคิดให้มันผิดมันก็ผิดไปได้มันก็อยู่ที่เจตนา ของผู้กราบใช่ไหมกราบเา้ากราบที่อาสนะจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าร ะ, ะลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้ออมาเชตวันวันนี้ไม่เจอใครเลยพระเดินทางไปกับพระพุทธเจ้าไปเมืองโน้นเมืองนี้โยมก็อาจจะมานั่งกราบนะที่เชตวันในส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นในกราบตรงที่อาสนะที่พระเจ้าเคยนั่งนะหรืออาจจะกราบที่ก้อนหิน ที่ผู้เจ้าเคยนั่งเพื่อแสดงธรรมนะคนไม่เข้าใจก็อาจจะมาบอกโอ้คนนี้เคารพหินเนาะดังนั้นอยู่ที่เจตนาของโยมว่าโยมกราบเนี่ยเพื่ออะไรเจตนาในใจเป็นอย่างไรถ้าเจตนาเพื่อเคารพเพื่อระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันไม่ได้ผิดอะไรนะอ่ามันเป็นกุลเชษฐาปจายนธรรมเคารพกราบไหวอัญเชิญพิวาทบุคคลผู้ควรกราบไหวอรหันหตสัมมาสัมพุทธะ พระธรรมพระสงค์อย่างนี้ผู้เจ้าก็ตัดไว้นะเพราะเป็นผู้ใครจากกิเลสนะมีศีลบริบูรณ์ดีแล้วน ะ, อะบอกสอนคนด้วยดีพาไปสู่ความพ้นทุกนี่พะคุณของท่านนี่ใช่ไหมเดี๋ยวทีนี้ถ้าถ้าวันนี้เรามีพระพุทธรูปนะเราก็กล่าวว่าเราก็เหมือนเดิมเรา ล, ลึกถึงแบบนั้นแต่เราไม่ได้นึกว่า พระพุทธรูปนี้เป็นก้อนศักดิ์สิทธิ์อะไรที่จะโดนบันดาลอะไรได้หรือโยมไม่มีอะไรโยมเป็นนักปวดเดินจาลิกไปตามป่าเข า, าถึงที่อันสมควรก็ปัดกวาดพื้นนะกางกดนะนั่งสมาธินะอยากจะกราบระลึกถึงพระพุทธเจ้าโยมก็กราบไปนะอีกคนมาเห็น คนนี้พระองค์ น, นี้กราบต้นไม้ไหว้ต้นไม้สลามังมันนึกไปได้ทั้งนั้นนะนะก็อยู่ที่เจตนาของการกราบไหว้านะอาตมาถึงบอกอยู่ที่เจตนาของการกราบนะพระพังลูกก็ว่าอา้านี่ไปเคารพพระพุทธรูปแล้วละสินี่ยนะทำไม่ตรงตามพุทธวัฒน์ไม่ได้ดูที่เจตนานะก็เป็นอย่างนี้ถ้าถ้าโยมทําอย่างนี้ในเจตนาของโยมก็ไม่ผิด แต่ถ้าโยมมีเจตนาที่จะเห็นว่าแมกราบพระพุทธรูปแล้วก็ขอให้การเกณฑหารครั้งนี้รอดเทิดนะ อ, อย่างที่ถามมาหรือว่าเดือดร้อนใจไม่สบายใจก็ไปหานะขอให้มีความสบายใจมีความเป็นมงคลไปสอบแข่งขันขอให้ติด มันก็จะเข้ามิจฉาทิฏฐิแบบที่หนึ่งคือกรรมและสุขทุกเกิดจากผู้อื่นบันดาล น, นะมันก็จะเป็นอย่างนี้ทันทีแล้วก็บอกว่าบางบางคนก็ประสบความสำเร็จเขาคิดว่าความสำเร็จมันเกิดจากรูปปั้นตรงนั้นแต่จริงๆมันเป็นเพราะกรรมของเขาเขาก็เลยหลีกออกจากความจริงเข้าสู่มิจฉาทิฏฐินะ ออกจากความจริงว่าจริงๆแล้วสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันกรรมเป็นเป็นตัวส่งผลนะซึ่งพระเจ้าบอกเราเนี่ยมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเป่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่ยพึงอาศัยนะได้ทํากรรมใดไว้เนี่ยก็ต้องรับผลของกรรมนั้นๆนะรับผลของกรรมนะไม่ใช่ว่ารับกรรมนั้นๆใครบอกว่าทํากรรมใดไว้รับกรรมอันนั้นเนี่ยนี่ก็ไม่ถูกนะทำกรรมอย่างใดไว้รับผลของกรรมอย่างนั้น อย่างยมไปฆ่าสัตว์ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องถูกสัตว์นั้นมาฆ่าการฆ่าสัตว์วิบากอย่างเบาอายุสัน้นนี่คือผลของกรรมหรือว่าถ้าทำมากทาบ่อยทาเป็นปกติจะเป็นไปเพื่ออายุสัน้นเป็นไปเพื่อนรกําเนิดชาญเปลตวิสัยอย่างนี้นี่คือผลของมันเรียกว่ารับผลของกรรมนงนั้นก็ให้เข้าใจเรื่องของ การกราบไหว้พระก็จะรูกต่างๆเดี๋ยวอีกเดือนอีกปีอีกหลายเดือนก็จะมีคนถามอย่างนี้อีกเรื่อยๆเอะนี่ก็เลยมีการรวบรวมคำถามยอดฮิตแบบอย่างเนี้ยนะ่ะไว้ในเว็บไซต์แล้วก็เพื่อให้พวกเราเข้าไปดูว่าเอออาตมาเคยตอบแล้วนะ <c oughs> เมื่อวันนี้เดือนนี้ปีนี้เนี่ยกี่ครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งแล้วก็รวบรวมเพื่อเผื่อให้เขาได้เข้าไปฟังได้เข้าใจ ก็ออบอกว่าการกราบไหว้บูชาพระพุทุรูปต่างๆในคำถามต่อมาคนก็มักจะเดินทางไปกราบไหว้นะเราก็โอ้เดินทางกันไปนะแต่จริงๆการเคารพนับถือบูชาตถาคต ด, ด้วยการบูชาสูงสุดคืออะไร คือการประพฤติธธ ร, รมสมควรแก่ทรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่นะนีพระองค์ตัดไว้กับพระนนทว่านี่เป็นการเคารพ ถ, ถือบูชาตถาคตด้วยการบูชาอันสูงสุดแล้วนะ อ, อย่างนีเ้เรื่องพระคู่บ้านคู่เมืองการกราบไหว้ได้กุศลมากไหมให้อยู่เย็นเป็นสุข คือการการที่เรามีจิตที่สแสวงหาที่พึ่งเนี่ยมันเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นเมื่อเทียบกับพวกมิจฉาทิฏฐิว่าไม่สแสวงหาอะไรเลยไม่หาที่พึ่งนะไม่มีที่พึ่งแต่มันจะเป็นมิจฉาทิฏฐิสำหรับผู้ที่กำลังจะเข้าสู่โสดาบันนะอ่า พราโสดาบันนี่จะเรียกว่าเป็นผู้มีสมาธิติเบื้องปลายคือพึ่งพระรัตนตรัยมั่นคงแล้วนะดังนั้นถ้ายังพึ่งอย่างอื่นอยู่เป็นสาระอยู่ก็ยังเป็นจิตที่สแสวงหาที่พึ่งดีกว่าจิตที่ไม่สแสวงหาที่พึ่งแต่จะแย่กว่าจิตที่มีที่พึ่งถูกต้องนะนะซึ่งเขาก็จะยังหลุดพ้นไม่ได้เพราะเขาจะคิดว่ามีสิ่งนั้นสิ่งนี้บันดาล น, นั่นก็แสดงว่าจิตยังไม่ตกกระแสแห่งธรรม ของความเป็นอริบุคลคลคือโสดาบันบุคคลนะอันนี้ค่อยๆพิจารณาดีๆนะดังนั้นจิตของเขาเนี่ยยังคล้องแวะอยู่ในเรื่องของโลกนะว่าเออมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ยังมีความยึดมั่นเนื่องด้วยอุปาธิอยู่นะ ที่ถูกต้องควรทำอย่างไรถ้าโยมมั่นคงในพระรัตนตรัยแล้วโยมก็จะวางเรื่องอื่นไปเองนะอืมถ้าถามว่าพวกเจ้าเนี่ยมีหลายชื่อเลยชื่อนั้นชื่อนี้แต่ไม่หมดเลยก็ต้องถามว่าผู้เจ้าตรัสไปไหมถ้าผู้เจ้าไม่ได้ตรัสนั่นเจ้ายกขึ้นมาเองหรือเปล่าแต่งเองหรือเปล่าใครเป็นคนปรุงแต่งคนแรกใครเป็นคนบัญญัติคนแรกคนนั้นนะ รัศดาเป็นสัพพัญญูรู้จักเทพพรหมทั่วโลกทานเนี่ยนะติดสะพรห ม, มนี้ชื่ออะไรเตโยดาคนนี้ชื่ออะไรอะไรบอกหมดนะถ้าไม่มีในพุทธวจนะก็เราก็ไม่ไม่ได้นับว่าเป็นสิ่งที่มีจริงหรือถูกต้องตามที่ศัสดาได้บัญญัติเอาไว้ เขาถามว่าพระสงฆ์ที่บวชแล้วจำวัดอยู่ตามวัดต่างๆทั่วประเทศไม่ศึกษาคำบอกสอนของพระพุทธเจ้า <c oughs> ยังจะต้องเคารพกราบไหว้ไสบัตอยู่หรือไม่การเกี่ยวข้องก็มันก็จะคล้ายๆกับที่ผู้เจ้าตัดเรื่องของผ้าเปลือกปอ หรือลักษณะของที่บอกว่ากูเป็นโคนะลาที่เดินตามฝูงโคไปกีดเท้าก็ไม่เหมือนสีก็ไม่เหมือนเสียงก็ไม่เหมือนมันก็ร้องอยู่เอาเองว่ากูเป็นโคกูเป็นโคภิกษุนะบางรูปก็เหมือนกันนะสีละศีขาก็ไม่เหมือนกับภิกษุทั้งหลายจิตละศีขาก็ไม่เหมือนกับภิกษุทั้งหลาย ปัญญาศิษยาก็ไม่เหมือนกับพิกษุทั้งหลายแต่ก็เราเอาเองว่าข้าก็เป็นพิกษุข้าก็เป็นพิกสุนี้เท่านั้นนะฉันใดก็ฉันนั้นนี่แหละเหมือนกันหรือว่าผ้าเปลือกปอนะแม้เป็นผ้าใหม่หรือกลางเก่ากลางใหม่หรือเป็นผ้าที่เก่าแล้วพระองค์จะเปลียบเหมือนกับพิกษุที่ทุศินมีความเป็นอยู่ที่ เร็วสามอย่างนี้ก็ไม่ต่างกับภาพเปลือกปอแม้จะบวชเพิ่งบวชใหม่หรือบวชมาปานกลางหรือบวชมานานแล้วก็ตามนะใครใกล้ชิดเข้าก็เจ็บเนื้อน ะ, อะและการทำตามยี่ยงอย่างของเขาเหล่านั้นเนี่ยนะจะเป็นไปน เ, พเพื่อความทุกข์นะก็ชนเหล่าใดที่ถวายชีวรบินตบาเาเสนาสนะเพศสัตว์แก ภิสษุเหล่านั้นเนี่ยจะไม่มีผลใหญ่ไม่มีนสิสงใหญ่นะพระองค์ก็ได้ตัดไว้ <c oughs> แล้วก็จะตัดบอกเรื่องของอความมีอายุสั้นของพระสัทธรรมศาสนาจะอายุสั้นลงถ้าพิสูจน์ที่ทุศิล์เนี่ยมีความจเจริญเติบโตมากขึ้นนะอันนี้เราก็ต้องพิจารณาเอาไงนะ ก็บอกผมเคยศรัทธาพระองค์หนึ่งซึ่งเป็นสายธรรมยุทธ์จริงๆสายไม่มีผู้เจ้าไม่เคยบัญญัติเรื่องสายธรรมยุทธมหานิกายมหายานหินญาณอะไรนี้ผู้เจ้าไม่เคยบัญญตัรราาญญติมีแต่ธรรมะกับวินยัยสายไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกความถูกต้องธรรมะวินัยเป็นตัวบ่งบอกความถูกต้องแต่ก่อนตั้งกันมาใหม่ก็ปฏิบัติเข้มข้นดีพอนานไปนานไปก็เหมือนเดิมนะ ก็ที่เข้าไปเจอก็มีเนี่ยดูดวงชะตาดูเลิกนะลดน้ำมนต์แก้คุณใสทมของขลังรมตะกุดซึ่งพระศาสดาตรัสเรื่องนี้ทั้งหมดว่าเป็นเดลจารวิชาภิกษุรูปนั้น ก, กำลังกระทาซึ่งมิจฉาอาชีวะนะ <c oughs> ตอนนั้นเราก็ไม่ได้ดูเรื่องของสายของนิกายมาเป็นหลักเราดูเรื่องธรรมวินัยมาเป็นหลักนะสายนิกายไม่มีถ้าเราไม่ไปพูดเรื่องสายนิกายสายนิกายมันก็จะหมดไปนะเราพูดแต่สมณะสกะักยะปุตติยะบุตรของสมณะในสากยะตระกูลนะพ่อผู้เจ้าตรัสกับภาระทวาชากวาเสรฐจว่าถ้าเขาถามว่าเธอเป็นใครให้เธอตอบว่าเราคือสมณะสกะักยะปุตติยะ บุตรของสมณะในสักยะตระกูลคนะำตอบก็ประมาณนี้จากสุโขทยัยมีโยมย ม, มีเรื่องกับเรียนอาจารย์มีความพิษิยินดีมากเมื่อภิกษนะุในจังหวัดสุโขทัยที่โย ม, มลูกสาวสองคนใส่บาททุกชาเพื่อ ฝึกการมีจากาท่านเออดปากขอซีดีของวนาปพงท่านบอกว่าท่านฟังตอนพิณาอาหารฟังแล้วเข้าใจดีมากจึงดูว่าเป็นซีดีของอาจารย์ไหนยมเลยจะอาสาขออาจารย์ให้หลังจากที่ <c oughs> ยมเพียรพยายามกับพิสุวัดนี้มานาน ที่จะประกาศคำตถาคตอภิสุวัดนี้ได้ทราบธรรมที่ถูกปิดของพระศาสดาเพราะท่านเคยเป็นพระปฏิบัติและมารยาทการโคจรของภิกษุกลุ่มนี้ในการเดินบินบาบแบบสำรวมระวังมากโยมจึงไม่อยากให้ท่านเสียเวลาในการมาบรรพชาในธรรมวินัยนี้โดยอาศัยกาละอันควรเช่นขอถวายหนังสือก้าวย่างอย่างพุทธเขากาศท่านก่อนใส่บาทโดยลูกสาว ถวายพระสูตรในวันเกิดเรื่องเมื่อเธอไม่มีถวายซีดีที่พระอาจารย์บรรยายให้ภิกษุและคารวะฟังที่จังหวัดระยองถวายเอกาสารและการพิมพ์อธิบายลักษณะสังฆธรรมและอสังฆธรรมและนิพพานที่พระอาจารย์บรรยายไว้แล้วพันเตมมาขึ้นพระสูตรที่โปรเจคเตอร์ขายายจึงของความอนุเคราะห์จากพระอาจารย์สำหรับภิกษุวัดนี้เพื่อนําไปศึกษาปฏิบัติตามแต่อาจารย์จะเมตตาให้ หมายถึงอะไรหมายถึงเขาจะขอรายการนี้หรือว่าเขาเอารายการพวกนี้ไปให้ท่านแล้วเพราะตอนแรกเขาเขียนเหมือนว่าเขาได้ทำสิ่งนี้กับพระนั่นแล้วแต่พอมาปิดท้ายบอกขอความอนุเคราะห์จากพระอาจารย์เลยเลยไม่รู้ว่าไอรายการที่บอกมาเนี่ยให้ไปแล้วหรือว่าจะมาขอกันแน่ ท้าย น, นี้ดิฉันมีความมุ่งมั่นในการจัดตั้งกลุ่มอาสาตถาคตเพื่อช่วยเผยแผ่ธรรมะในจังหวัดสุขโขทยัยและจัดจัดปฏิบัติและฟังธรรมที่บ้านพร้อมกับวัดนาป่าพงในข้าวันเสาร์ทุกเสาร์ซึ่งปัจจุบันดิฉันและครอบครัวดิฉันติดตามทุกข้ามเสาร์จะพยายามทําตามกําลังให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ และขอผ้อาจารย์พี่นายอกสารเพิ่มเติมเพื่อแจกกลุ่มผู้ปฏิบัติและฟังธรรมก้าบันสาวหนังสือซีดีปฏิจจสุบาแลกสติกเกอร์อ๋อที่อยูอ่ก็เดี๋ยวจะจัดส่งไปให้นะตอนนี้ทำอันนี้เสร็จแล้วยมโก้นะยมสุธีที่เขียนโปรแกรมอ e ีแต่ปิตกะก็ได้ ทำข้อมูลที่ให้ลงว่าใครต้องการเป็นพุทธวจนะสถาปันคือเป็นผู้ร่วมเผยแผ่คำสอนพระศาสดาทั่วโลกคีย์ข้อมูลเข้าไปได้นะเข้าไปในในเว็บนะแล้วก็ก็ใสอ่อีเมลรหัสแล้วก็จะเข้าสู่ระบบ แล้วก็ใส่ชื่อที่อยู่นะเบอร์โทรติดต่ออะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วก็กิจกรรมที่ตนเองทำนะก็พลอสลงไปในแผนที่ของ Google เนี่ยมันก็จะมีระบุพิกัดลติจุดลองดีจุดไห ล, ลเสร็จเรียบร้อยนะแล้วก็ขยายได้จะเอาแผนที่แบบดาวเทียมหรือแบบเส้นทางอะไรนะมีทั่วโลกก็ลองได้ทดลองวัดนาฬิาพงนะ ีลงไปก็เจออยู่แล้วก็ลงพิกัดลงไปอย่างนี้ก็ต่อไปทุกคนก็จะเห็นว่ า, าทั่วทั้งโลกเนี่ยเรามาีผู้ที่ช่วยเผยแผ่คำตถาคตแล้วก็ประพฤติทำนะในคำตถาคตนะอยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างนะเพื่อเดินทางไปตรงไหนก็จะได้แวะเวียนเอาซีดีเอาหนังสือไป หรือว่าจะไปขอหนังสือซีดีที่นั่นหรือที่ไหนต้องการหนังสือซีดีก็ <c oughs> ขอมาได้เราจะได้ได้ทำแจกส่งไปให้อย่างเงี้ยก็เดี๋ยวกําลังปรับปรุงหน้าตารูปร่างให้เรียบร้อยแล้วก็น่าจะเอาลงในเว็บได้ต่อไป จากนนทบุรีก็บอกว่าพราะมีวิชาเป็นปัจจัยจะมีสังขารทั้งหลายในสายปฏิจจ์ทา่านพุทธาได้แปลว่าอายตนะคือจุดตั้งต้นของปฏิจจสุบาท อ, าอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าจุดตั้งต้นของปฏิจจสุบาทเป็นอวิชาหรืออายตนะอันนี้ไปอ่านใน ร้อยกว่าหน้าแรกที่ท่านอธิบายหรือเปล่านาะนะสงสัยจะไปอ่านตรงนั้นปฏิจจสุบายจะพึ่งไปอ่านในคำนำหรือคำอธิบายของของท่านนะอ่านตรงไปที่คำพระศาสดาเลยพนะระองค์ตัดสายปฏิจจาว่ายอย่างไรก็อย่างนั้นนั่นแหละนะนั้นเริ่มต้นจากอวิชชาในส่วนของภาษะ นะจะประกอบด้วยอายจตนะแล้วก็เป็นเหตุเกิดนะของธรรมต่างๆจริงๆทุกจุดเนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นได้หมดอยู่ที่เราเนี่ยระลึกได้ตรงไหนตัดได้ตรงไหนนะอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดทุกชาติเป็นเหตุให้เกิดทุกก็ได้อุปทานเป็นเหตุให้เกิดทุกนะพระเจ้าก็ตัดไปหมดดังนั้นสายปฏิจจทั้งหมดเป็นเหตุให้เกิดทุกได้หมดก็เป็นเหตุตั้งต้นของ ปฏิจจสุบาทได้ทั้งหมดเหมือนกันอยู่ที่เรารู้สึกตอนไหนทันตอนไหนของสายมันนะจากนนทบุรีได้สวดบทปฏิจจสวดด้วยภาษาบาลีพร้อมทั้งคำแปลแต่ด้วยความรู้ทางธรรมน้อยจึงยังไม่เข้าใจในบทสวดเปิดหาคำแปลในเน็ตแต่ก็ยังไม่เข้าใจอยากสรางคาแปลโดเลดจากล่าจารในความหมายของคาดังต่อไปนี้ คำว่าสังขาราก็คือสังขารทั้งหลายวิญญาณังก็คือวิญญาณนามรู ป, ปังนะก็คือนามรูปสลายยตนางก็คือสลายณนะหมายถึงอายยตนะภายใน6ภายนอก6นะซึ่งเมื่อกระทบกันแล้วก็จะเป็นผัดโสนี่แหละที่เป็นผัสสะเวทนาคือสุขทุกหรือทอุก ข, ขมสุข3อย่าง ตันหาก็คือความอยากมีกรรมตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาอุปาทานคือความยึดมั่นพโวก็คือพบสถานที่เกิดที่พระองค์เปรียบพบเหมือนผืนนาชาติก็คือการที่จิตผูกติดกับอารมณ์ไปหรือการเจริญงอกงามไปบุญของวิญญาณทั้งหมดนี้มีละเอียดในพระสูตรทั้งหมดอ่านในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะได้คําตอบพวกนี้ทั้งหมดนะจริงๆพระเจ้าเนี่ยตอบพวกนี้ไว้หมดแล้วนะ เพียงแต่เรายังเก็บรายละเอียดไม่เจอแค่นั้นเอง <c oughs> ทีนี้คนที่ถามมาว่ า, าเรื่องหาหาคำในอีตไม่เจอนะ แล้วก็พุทธทจนะติดตั้งใน iPhone 3Gs ไม่ได้ก็อบอกต้องตั้งติดตั้งที่ 4G ขอความกรุณาสำหรับคนใช้ iPhone รุ่นเก่านะทิกโก้ก็ตอบมาว่าที่คนไม่เจอเพราะใช้คีย์เวิร์ดที่มันไม่มีมันก็เลยไม่เจอนะ ไ, มไม่เกี่ยวกับโปรแก ร, รมต้องไปปรับคีย์เวิร์ดเอานะปีสะกดผิดลายผิดบ้างอาตมาก็เคยจิ้มผิดหาเท่าไหร่เอ๊ไม่มี ก็คืเราสะกดผิดเองนะหรืออย่างคําว่าน้ําเนี่ยเราก็เ <laughs> ขียนนออานำําไม่โท่น้ํามันต้องนอโทแล้วก็สะระอํานะถ้าไปกดตามแบบที่เราเขียนเป็นภาษาที่เราอ่านเราเรียนมาอย่างเนี้ยไอ้ไม่โทมันจะไปอยู่ท้ายมันจะหาไม่เจอนะอือะไรอย่างเนี้ยเล็กๆน้อยๆส่วนอีกอันหนึ่งเนี่ย ดิจโก้ก็เลยตอบมาว่า iPhone 3G เนี่ยไม่รู้ว่าลง iOS รุ่นไหนได้บ้างเ็าคิดว่าลงน่าจะลง iOS 5ได้เพราะโปรแกรมพุทธวจนะจำเป็นต้องใช้ iOS 5ขึ้นไปนะกรณีโปรแกรมไอแอปพุทธวัจ น, น์อนาที่เป็นสีส้มๆอ่ะต้อง iOS 5แต่ถ้าอ e ีไตเนี่ย <c oughs> ลง iOS 4ก็ได้เพราะเขียนก่อนก็เลย ใช้ตั้งแต่แบบเก่าเขียนนะดังนั้นทำอัปเดตให้เป็น i อ s 5น่าจะลงได้ทั้งหมดแต่จะให้ทำโปรแกรมรองรับ i อ s 4คงต้องเขียนใหม่ซึ่งคิดว่าไม่คุ้มกันเพราะปัจจุบันคนใช้รุ่นเก่าๆเร้่มมีน้อยแล้วจะเสียเวลาเปล่าๆนะก็เดนหน้าไปเรื่อยๆนะกันนะ แต่เขาก็จะมีการเก็บสถิติการใช้งานอะไรต่ออะไรพวกนี้หมดน ะ, อ, ะอย่างคนที่ลงโปรแกรมอ e ีตยก็ประมาณ 30,000 กว่าคนแล้วผู้ที่มีแอคทิวิตี้ในการใช้โปรแกรมเนี่ยจะมีประมาณ1 5 0 0นหเกือบครึ่งหนึ่งนะก็ส่วนแอปที่ใช้ดูถ่ายทอดสดก็ 15,000 กับ2 0 0 0 0เหมือนกันคนที่โหลดไปใช้ <c oughs> <c oughs> จากพระจักรบุญสืบเนื่องจากวันที่คุณลุงขอพระอาจารย์ตอบแทนเวลามีคนนำเอาคำสาวกมาสันเสริญและมาโต้กับพระอาจารย์โยมก็อยากทำอย่างนั้นบ้างนะแต่พระธถาคตสอนไว้ว่าแม้จะมีคนเอาเลื่อยมาเลื่อยเอวเธอก็ห้ามกล่าววาจาชั่วยหยาบห้ามคิดประทุษร้าย ให้วางจิตประดุด <c oughs> น้ำดินอากาศโยมก็กลับมาสู่เสาเขื่อนเสาหลักนะสไตล์พระอาจารย์พระอาจารย์ชอบที่จะละลายทิฏฐิคนนะโยมคิดว่าด้วยความสามารถของพระอาจารย์จะสามารถเพิ่มสาวกตถาคตได้คนและอาจขยายต่อไปกับคนรอบข้างของบุคคลนั้นเพราะขนาดคำสาวก เขาย cook, Después, 6. 6. ังออกรับแทนได้ขนาดนี้แสดงว่าถ้าเขาได้สัมผัสกับคำของตถาคตจริงๆยังจังซึ่งเป็นอนุษาสนีปฏิหารเขาต้องเป็นแรงสำคัญของพุทธศาสนาอย่างแน่นอนนี่ก็มองอีกมุมหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะก็ในการที่มีคนมตินะเตียนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้เจ้าก็บอกว่าให้ตั้งใจฟังเขา ว่าเขาพูดอะไรแล้วเราจะได้แก้ไปว่าได้ถูกต้องอถ้าเขาพูดถูกแล้วก็สันเสริญถ้าพูดผิดก็จะได้บอกว่าสิ่งนี้มีในเราสิ่งนี้ไม่มีในเราอย่างนี้ดังนั้นเมื่อมีใครพูดมาก็ให้ตั้งใจฟังเขาก่อนแล้วก็ค่อยแก้ไปอย่างนี้จากอเมริกา การซื้อหนังสือที่เป็นคำสอนของพระพุทธองค์ที่เป็นเนื้อแท้หาซื้อได้ยากในปัจจุบันนี้ยังจะมีใครนินทาติเตียนน่าสงสัยทำไมวัตถุมงคลซึ่งเป็นเดราาัจฉานวิชาที่ทำกันขึ้นมาไม่มีใครตำหนิช่างไม่มีความคิดเอาเสียเลยธรรมะที่แท้จริงต้องมีปัจจัยที่จะต้องนำต้องทำให้มันกระจายไปทั่วโลกทุกภาษา ขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่งอ๋อวันนั้นมีคนมาตำหนิว่าธรรมะพูุ้ทธเจ้าไม่ควรเอาไปขายอะไรอย่างนี้แต่เดลฉามวิชาขายได้มีคนสนใจเยอะแยะเต็มไปหมดหาซื้อได้ง่ายแต่คำพระศาสดาไม่มีนะ <laughs> พอมีคนเอาไปช่วยขายในตลาดการขายโดนตำหนิอีก <laughs> ทำยังไงก็ได้ให้คำพุทธเจ้าเนี่ยมันไปอยู่ในทุกซอกทุกมุม อ, ะนะอ่ะนะอ่ามันก็จะได้ประโยชน์มากที่สุดอ่ามีประเด็นอะไรกันบ้างไหมวันนี้ใช่ใช่ใชทำคำถามเรื่องการปฏิบัตินะครับนะฮะคือ เพิงเคยมาวัดนี้ครั้งแรกครับก็ทำ <cker? S 1> อ, อนนาปันตสติแล้วดูลมไปเรื่อยพ อ, อปวดขึ้นมาเนี่ยควรจะดูลมต่อไปหรือว่าควรจะเป็นเวทนาอนุคจะพิจารณาเวทนาแทนนะคะนรับก็ยมเปลี่ยนรีบทแล้วก็ภาวนาต่อไปได้อีกสองสามชั่วโมงดีไม่เลยจะปวดก่อนไม่ถึง <laughs> มันจะได้สัก ไม่นานมากก็ปวดแล้วเนี่ยเปลี่ยนเอลิบดแล้วก็ได้พอนาต่อไม่ดีเหรอก็ดูลงไปเรื่อยๆหรือว่าทนแล้วก็โอ้เลิกดีกว่าไปทําอย่างอื่นอันไหนมันได้ผลน่าจะดีกว่ากันน่ะอันไหนได้การพอนานานกว่ากันกนะใช่ไห เ, เสียเวลาเปลี่ยนเอลิบดจะ ก, กี่นาทีกันยมเปลี่ยนจากนั่งมาเดินเนี่ยไม่ถึงหนึ่งนาทีมั้งแล้วยมก็เดินจงกรมได้ต่อชั่วโมงเดินเมื่อยยมเปลี่ยนเสียเวลาอีกหนึ่งนาทีมานั่ง ระยมก็นั่งต่ออีกชั่วโมงหนึ่งกระยมทนไปอีกสิบนาทีจนมันจี้ขึ้นมามันไม่ไหวเจ็บมากเลยเติดีกว่าสู้ไม่ไหวแล้วก็ล้มพักไปเคยได้รับคําแนะนําว่าให้ให้ดูที่ปวดไปเลยอะไรเงี้ยเลยไม่แน่ใจว่ามพระสูตรไหมล่ะขอพระสูตรมาดูหน่อยสิว่าพระเจ้าให้ดูที่ปวดนะอ๋อไม่ไม่เเวลาใครแนะนํำล่ะขอให้เขาก๊อปปี้คําพระเจ้ามันหน่อย ว่าพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ไหมเออภิกษุทั้งหลายเธอไปดูที่ปวดนะอะไรอย่างนี้นะมันก็มันก็ไม่ถือถือว่าเป็นสติปัฏฐานในมิจฉ<ม>ะที่ดูเวทนาครับดูเวทนาสติปัฏฐานพระุทธเจ้าสอนอยังไงล่ะยมจำที่พระุทธเจ้าบอกได้มครับครับ <c oughs> ไม่ได้เนี่ยเห็นนะมันก็ไปหาแนวอื่นมาอระพุทธเจ้าบอกว่าการทําในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้น ชื่อว่าเป็นเวทนาอันหนึ่งอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายเพราะเห็นนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาท<ๆ>ั้งหลายอยู่เป็นประจำก่อนผู้เจ้าตัดตรงนี้ผู้เจ้าตัดว่ายังไงนะภิกษุนั้นเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออกนะเป็นผู้รู้พ ร, พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออก รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจเข้ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจออกแล้วก็ทําจิตตสังขารให้ลำงับอยู่หายใจเข้าทําจิตตสังขารให้ลำงับอยู่หายใจออกอันเนี้เรียกว่าเป็นการเห็นเวทนาในเวทนาเห็นปิติเห็นสุขเห็นการปรุงแต่งของจิตแล้วทําการปรุงแต่งของจิตให้ลำงับมีบอกเรื่องเจ็บปวดไหมไม่มีไม่มีก็อย่าไปเติมนั่นแหละเออ นี่เวทนาในเวทนาใช่รู้เฉพาะกายทั้งปวงนี่ทำยังไงครับรู้พร้องเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงมันอยู่ในส่วนกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก่อนตัวเวทนาตรงนี้นะก็คือรู้กองลมทั้งปวงนั่นนะนะตต่างกับขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองยังไงครับขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองเนี่ยลมของโยมมันจะมียาวมีสั้น เวลายอมนั่งไปสงบเคยสงบบ้างมากลมหายใจมันจะละเอียดแล้วก็การจังหวะการหายใจมันจะเริ่มเป็นปกติมากขึ้นสม่ําเสมอมันเริ่มไม่มียาวมีสั้นแล้วมันก็จะเริ่มนิ่งๆแล้วก็เริ่มรู้ระบบการหายใจทั้งทั้งก้อนอย่างเนี้ยรู้การหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าออกทั้งสายแหละครับหรืว่ามันน่าจะลองทําไปแล้วก็สังเกตแล้วก็กลับมานั่งอ่านคำพุทเจ้าแล้วก็กลับไปทําใหม่ แล้วก็กลับมานั่งอ่านแล้วก็กลับไปทําใหม่อย่างนี้ au, ทำไปเรื่อเรื่อยๆด้วยการไม่ลืมลมหายใจรู้ลมไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออกบุ๊กเนี่ยมันก็จะค่อยๆเห็นค่อ ย, อยๆเห็นค่อยๆเห็นชัดตามที่พระเจ้าบอกไปเรื่อยๆนะพอกวันนี้ก็ยังต้องจินตนาการไปนะไม่ต้องตีนั่งสมาธิแล้วก็ดูรู้แค่ไหนเอาแค่นั้นสมมติว่าวันนี้รู้แค่ยาว เข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรูออกสั้นรู้รู้แค่นี้ก็แค่นี้แล้วก็ทําไปเรื่อยๆมันอาจจะ5เดือน6เดือนปีหนึ่งแล้วค่อยรู้อีก1นึ่บรรทันว่าอ๋อนี่กายสังขารลำงับเป็นอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรอันนี้แหละเรียกว่าศิกขาศึกษาพร้อมกับการปฏิบัติซึ่งแต่ละคนอาจจะปีหนึ่งได้2ปีได้5เดือนได้อะไรอย่างนี้แล้วแต่แต่ก็คืออ่านแค่นี้ไปนั่งทำํำกลับมาอ่านไปนั่งทำํำ ทำสลับอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวได้เองแต่ไม่ใช่ว่ามันจะได้วันนี้พรุ่งนี้นะอินทรีย์แต่ละคนไม่เท่ากันนะเมื่ อ, อไหร่ถึงจะเป็นวิปัสสนาดีครับเห็นเกิดดับไหมล่ะเกิดดับมันมันอยู่คาตาโยมนะแต่โยมไม่เห็นนะมันก็ไม่เป็นสักทีเกิดดับที่มีอยู่ตลอดเวลาตราบใ ด, ดที่โยมไม่เห็นก็จะไม่เป็นวิปัสสนาพระองค์เปรียบเหมือนกับคนเจริญสติปัฏฐานสีแล้วไม่เห็นการเกิดดับ เหมือนพ่อครัวที่ทําครัวให้กับพระราชามหามาตแต่ไม่เคยสังเกตพระราชากินอะไรมหาามาตกินอะไรคนนี้จะไม่ได้รับรางวัลจากพระราชาและมหามาตยโยมก็นั่งดูลมหายใจไปเรื่อยๆมันหลุดได้แต่ลาคาญดึงมันมามันหลุดไปดึงมันมามันหลุดไปดึงมันมากลำลาคาญอยู่อย่างเนี้ยได้แต่ความลาคาญไม่ได้ปัญญาทั้งที่ขนาดที่มันหลุดไปเนี่ยสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งเกิดโยมดึงกลับมาสิ่งหนึ่งหายไปสิ่งหนึ่งเกิดเกิดคาตายมมะ ใช่ไหมเกิดอยู่ตลอดเวลาเลยมีใครนั่งแล้วนิ่งกิบไม่ไปไหนเลยไม่มีอก็หลุดไปกลับมาหลุดไปกลับมาเนี่ยเกิดดับแล้วบอกไม่เห็นเกิดดับมันเกิดดับอยู่ข้างหน้าขัคค้นที่หนึ่งก็เป็นวิปัสสนาได้ใช่ป่ะอะไรนะทำขั้นที่หนึ่งดูเข้ายาวออกยาวเนี่ยก็เป็นวิปัสสนาได้เ ป, เป็นสิทําไมจะไม่เป็นไอ้พวกสาวกมันไปบอกไม่เป็นเพ้นพูดเองมันไม่ฟังพระพุทธเจ้าพรุทธเจ้าบอกประโถมจารย์ก็เป็นวิปัสสนาได้แล้ว ไอ้พวกคำภีทั้งหลายมันเป็นนั่งบอกว่าต้องจตุจฉานเป็นวิปัสนานั่นนะ่ะมันคนละเรื่องเลยนะเวลาโยมอ่านคำสาวกนี่มันจะได้ข้อผิดอย่างเนี้ยแล้วโยมก็มานั่งงงเองเอขาบอกชั้นสี่เป็นวิปัสนาทีนี้ก็มาเถียงกับผู้เจ้าละนะเอ้ยชั้นหนึ่งได้แล้วเพราะไปคิดว่าคำนั้นถูกไงเนี่ยผู้เจ้าจึงบอกคำสาวกอย่าไปฟังนะแล้วเราจะรู้เมื่อไหร่ว่าคำสาวกพูดผิดและขัดกับผู้เจ้าเมื่อไหร่ใช่ไหม หน้าที่โยมมาอ่านคำผู้เจ้าอย่างเดียวปุ๊บเนี่ยแล้วยมจะรู้เลยว่าสาวกเนี่ยพูดขัดกับผู้เจ้าเมื่อไหร่วันใดที่ไปอ่านคำสาวกแต่โยมต้องรู้ก่อนรู้คำผู้เจ้าก่อนเนี่ยอ่านคำผู้เจ้าอย่างเดียวแตนี้อาตมาเนี่ยอ่านคำสาวกมาเยอะแล้วนะอันนี้อาตมาก็ไม่อยากให้โยมต้องไปหลงทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแบบอาตมานะอ่านคำผู้เจ้าตร ง, ตรงๆเลยเผียวๆผู้เจ้าตัดไว้ถูกไปนั่นนะอืม ออือือืในทางชีวิตปจันของาาช่วงเนี่ยเราสเกิดการือ่ได้บางครั้งเนี่ยคือเอ๊รู้สึกเหมือนัามาหลอม ใช่ใช่ใช่ใช่การที่เราทิ้งอารมณ์ไม่ได้ไว้นั่นแหละมันเป็นตัววัดสอบแล้วว่าเราเนี่ยยังฝึกได้ไม่ดีไม่เข้มแข็งนะ่นั้นก็เอาเอาเป้าที่พระเจ้าตัดไว้ว่ากระพิตะะะบพตาเดียวเนี่ยนะอ่าว่ากระพิบตาเดียวเนี่ยคืออินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ น, นั่นแสดงว่าจิตถ้าเราผูกกับอารมณ์ไปนานเท่าไหร่เนะี่ยิ่งแสดงว่าภาวนาไม่ดีอ่า ถ้าเราละได้เร็วเท่าไรเนี่ยละนันทีได้เร็วเท่าไรเนี่ยก็แสดงว่าการภาวนาเราเข้มแข็งขึ้นนะคุณที่อาจารย์ค่ะมีเอ่อน้องเาเคยพูดว่าคือพูดว่าอย่างนี้ค่ะว่าเขาปฏิบัติอยู่นะคะแต่ว่าปฏิบัติโดยที่เขาบอกว่าถ้าเขา เหมือนเป็นทฤษฎีในคําของ พ, พระพุทธเจ้าอะค่ะเพราะนั้นเขาจะปฏิบัติในตัวของเขาเองแล้ว <c oughs> การปฏิบัติเนี่ยเขาก็คือเหมือนเขาสามารถที่จะคือคิดอย่างนี้ก็ผิดแล้วไม่เป็นทฤษฎีของพระเจ้าใช่ไหมช่ะผู้เจ้าเนี่ยกลั่นออกมาจากการประพฤติปฏิบัติถ้าตัวเขาเนี่ยเป็นอัญญะโกธัญะเป็นปัญจวัคคีย์ทั้งห้าแล้วเข้ามาฟังพระเจ้า พอมาฟังเสร็จคำพระเจ้าเป็นทฤษฎีเดี๋ยวผมปฏิบัติเองดีกว่าจบไหมเรียบร้อยเลยอมันคิดอย่างนั้นไม่ได้เลยแล้วถ้าโยมเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยโยมจะสอนใครสักคนหนึ่งนะที่เขากําลังมีมิจฉาทิฏฐิแล้วให้เปลี่ยนหรือเ้ากําลังภาวนาผิดแล้วพระเจ้ากําลังไปบอกอานาปานสติให้หรือมรรควิธีให้เพื่อให้ทําตามแต่ไม่ทําบอกโอ้ของท่านเป็นเพียงทฤษฎีมันคิดอย่างนี้ไม่ได้เลยอยะ่าแค่คิดนี้ก็ผิดแล้ว พระเจ้ากลันออกมาจากการประพฤติปฏิบัติโยมเป็นพระเจ้าโยมจะถ่ายทอดให้อีกคนคนหนึ่งซึ่งกําลังอยากจะรู้หนทางเข้าสู่ความไม่ตายโยมก็จะต้องบอกสิ่งที่โยมทําที่เข้าถึงแล้วว่ารู้ลมหายใจนะและรู้ยังไงโยมจะต้องโยมที่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยโยมจะต้องพูดออกมาให้เหมือนกับสิ่งที่ตนเองทําถูกต้องมาให้มากที่สุดเพื่อให้คนนั้นเนี่ยเข้าใจและทําตามได้เหมือนกับที่ตัวเองทํา แต่คนนั้นมองว่าคําพูดเป็นทฤษฎีปฏิบัติไม่ได้แล้วมันจะยังไงเขาก็ เ, าเป็นไปเป็นพระพุทธเจ้าซะเองไปหาวิธีเองใช่ไหมแล้วจะไม่มีพระพุทธเจ้าไว้ทําอะไรนะเอาไว้เป็นโลโก้เฉยๆลรืมีพระุทธเจ้าเพื่อให้ถ่ายทอดคําสอนที่ถูกต้องเพื่อให้สาวกฟังแล้วนําไปประพฤติปฏิบัติได้นี่แหละไม่เข้าใจหลักการนะอ่า ไปนั่งปรุงแต่งคิดเองก็เสร็จเลยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นการในมุมมองตรงที่ว่า เ, เราผู้ฟังคําของพุทธเจ้าเนี่ยเราอาจจะยังไม่มีสมาธิที่ดียังก้าวไปไม่ก้าวหน้าในเชิงของปรุงแต่งเองใช่ไหมค ะ, ะก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยมีสมาธิที่ดีเพราะฉะนั้นเขาก็จะเดินปฏิบัติตรงนั้นไปแต่ว่าสําหรับเราเรามีความเผินที่ถูกที่จะฟังคำํำผู้เจ้าแล้วและเพื่ อ, เ พ, อเพื่อที่จะนําไปปฏิบัติต่อตรงจุดเนี้ยค่ะ เรากําลังจะเดินปฏิบัติตามคําพระพุทธเจ้าซึ่งก็เลยกลายเป็นมองในในแง่ว่าตัวเรายังไม่ก้าวหน้าในทางสมาธิเพราะฉะนั้นเขาก้าวหน้าในทางสมาธิล้วเพราะนั้นควรจะก้าวหน้าเขาเอาอะไรมาเป็นตัววัดเลยแค่ตัววัดในความก้าวหน้าสมาธิเขาก็คิดเองแล้วถ้าเขาไม่ใช่คําพระเจ้าก็เหมือนพวกที่ไปเรียนคําสาวกมาแล้วบอกว่าเนี่ยเขาได้อรีบุคคลแล้วตามหลักของโสรถยานยานสิบหกอย่างนี้ยานสิบหกก็แต่งเอง ใช่ก้าวหน้าตามคําแต่งเองอะใช่นีอ่าก็เหมือนพระที่ปฏิบัติทั่วไปแล้วก็บอก เ, อเห็นแสงสว่างกายระเบิดจิตระเบิดบอกเนี่ยผมก้าวหน้าแล้วผมได้โสดาบันแล้วจิตผมระเบิดก็แต่งเองอีกเยอะครูเจ้าบัญญัติหรือเปล่านี่ไงคือตั้งแต่คิดเองเนะี่ยอันนี้มันก็ผิดแล้วไนงะใช่ไหมสิ่งที่คิดเนะี่ยคิดเองหรือว่าฟังใครมาลองสาวความรู้ของตัวเองไป ฟังใครเข้ามาหรือคิดเองผลิตเองเลยทุกอย่างผลิตเองหมดอย่างนี้แล้วสมาธิที่แรกที่ตนเองบอกตนทำได้ดีไหนเริ่มมาจากไหนฟังใครหรือว่าคิดเองเลยใช่ไเป็นอาราลาดาบทหรือเปล่าออกป่าเองนั่งสมาธิฝึกเองไม่ใช่ฟังมาทั้งนั้นนะ่ะแต่ฟังใครใช่มเออเนี่ยมันสาวสาวอาดีตไม่เป็นเห็นไหสาวประวัติศาสตร์ไม่เป็นนะ ไม่รู้จักตนเองว่าตนเองเป็นแค่ผู้ฟังคิดว่าตนเองผลิตเองได้หรือคาสอนหลักการปฏิบัติไม่ใช่ก็จริงๆก็จะพยายามน้มน้าวเขาอยู่เหมือนกันเพราะว่าตัวเองก็คิดว่าคําพุทธเจ้านี่ก็คือใช่เลยสำหรับตัวเองอยู่ใช่ไหมคะมจริงแต่ว่าสิ่งที่เรามองไปในมุมมองตรงนั้นเน่เราก็อยากให้เขาเดินเข้ามาตามคาพุทธเจ้าท่นเองค่ะก็เลยกาลังจะ แง่มุมพวกนี้โยม ต, ต้องต้องจับประเด็นให้เป็นแล้วก็บอกเขาชี้ให้เขาเห็นเห็นในสิ่งที่ที่เขาเข้าใจผิดอยู่ไงว่าประเด็นอะไรอะไรบ้างไฟไฟขึ้นไหมไฟไฟขึ้นก็ใช้ได้ไฟสีเขียวหรือสีแดง เขียวก็ใช้ได้อยู่ฉันถามว่าเวลาขณะกำลังนั่งเจริญสติลมหายใจหมดแถวลงจนกำหนดไม่ได้มันเหมือนเหนื่อยก็ไม่ใช่แต่มันหมดลมอะต้องอมันเกิดจากอะไรฮะมันสภาพร่างกายไม่พร้อมหรือว่าลมตรงนี้หมดเลยค่ะหายปุ๊บหมด หมดก็สูตรเข้าไปใหม่สิไม่ไ ม, ไ ม, ามา่ไม่สามารถค่ะไม่สามารถจะจะบอกอยังไงดีคือถูกว่ากําหนดลมอยู่ที่ตรงหน้าท้องยุบหนอพองหนอใช่ไหมคะมันไม่มีอายุบพองผู้เจ้าไม่ได้สอนไม่ไม่หัก ค, คื อ, อมไม่มีลมค่ะไม่สามารถหมดแรงอฮะนั่งภาวนาไว้แล้วหมดแรงหมดแรงก็นอนเฉยเดี๋ยวลมมันเข้าออกของมันเองออย่างเนี้หนึ่งมันตั้งใจเกินไปเคร่งเครียดเกินไปน่ะ อย่าที่สองเนี่ยไปปรุงแต่งว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยนะมันจะก็จะเกิดอย่างนั้นแหละนะโยมไม่ต้องทําอะไรร่างกายมันก็หายใจของมันอยู่แล้วนะเดินเหินธรรมดาเนี่ยโยมไปทำโน่นทํานี้่ทำไมมันหายใจอยู่ใช่ไหมมันหายใจของมันได้แระบบมันก็ทํางานตามปกติเพียงเราเอาใจมามาตามรู้ลมที่กําลังไหลมาไหลไปแค่นั้นเองไม่ได้ไปบังคับปรุงแต่งอะไรมันอย่าไปปรุงแต่งอย่าไปบังคับอะไร ล่อยเป็นธรรมชาติมันจะยาวกว่ายาวมันจะสั้นก็สัน้นแค่ตามรู้มันตลอดตลอดเนะี่ยอย่างเงี้ยดูว่าไอ้จิตเคลื่อนออกไปจากลมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อ่านะเป็นเพราะไม่มีกําลังไม่ใช่<ม>ใช่ไหมคะตั้งใจเกินไปละมะัสนะหรือไม่ก็ไปปรุงแต่งอะไรสักอย่างปล่อยปล่อยเฉยเยหรือยอมก็แค่อเลิกทําลองเลิกทำเอาเลิกทำเอาหายใจได้ปกตินะอย่างเงี้ยอ่าใช่ไหม นั่นแหะเราต้องสังเกตว่าว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นตั้งใจเกินไปไปปรุงแต่งอะไรหรือเปล่าอย่างนี้สังเกตจิต ด, ดีๆถ้ามันจะเกิดอาการแบบนั้นน่ะบางคนก็แน่นน้าอกปวดหัวแต่มาก็เคยเป็นแน่นหน้าอกปวดหัวนะแต่จริงๆมันไม่เป็นไรหรอกนะจะทำทำไปเรื่อยเรื่อยพเจ้าจะเปรียบเหมือนจับนกด้วยมือบีบแรงไปนกตายจับหลวมไปนกหลุดมือ เตอต้องจับพอดีพอดีแค่ทำใจพอดีพอดีมารู้ลมที่กำลังไหลามาไหลไปเนี่ยก็ปกติละ ว, วางความพอดีให้ได้จับความพอดีให้ได้นะ พอผมลองนั่งสมาธิไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยครับแล้วก็เห็นการเกิดดับเกิดดับเกิดดับแล้วมีอยู่วันหนึ่งนะครับจะพอเห็นเกิดดับปั๊บมันจะมีตัวหนึ่งอะวิ่งมาบอกว่าบอกกับผมว่าเอ้ยมันไม่ใช่ตัวเราอยู่สองครั้งนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันคิด ไ, อไเองอ้อตัวนี้ก็เกิดดับแล้วนะพอมันคิดปุ๊บเนี่ยจิตมันคือแล้วนะเพราะจิตเป็นธาตุรู้เฉยๆไม่ใช่ผู้คิดขณะที่คิด แม่คิดทำมากคิดอะไรเนี่ยตุ๊กจิตไปเกาะสัญญาสังขารแล้วนะเกิดดับแล้วเนี่ยแต่ท<ช>ีนี้<ะ>ขณะที่คิดเนี่ยความเป็นเรามันมีไงรเราก็จะไม่เห็นเกิดดับเนี่ยเวลาไม่เห็นเกิดดับมันเป็นอย่างเนี้ยเพราะขณะที่มันไปเกิดดับเนี่ยความเป็นเรามันเคลื่อนไปพร้อมๆ ก, กันกับอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นก็เป็นเราเราจะไม่เห็นการเกิดดับแต่ถ้า <c oughs> ถ้าเราอยู่กับสาเกินเสาหลักเนี่ยนะเราจะรู้ว่าอุ้ยนี่มันเคลื่อนไปละ นันถ้าโยมแค่ไม่ลืมลมหรือไม่ลืมความนิ่งความเป็นอุเบกขาโยมจะรู้โอ้มันเคลื่อนไปคิดละปรุงละปุ๊บแล้วเราก็กลับมานิ่งเหมือนเดิมใหม่อย่างนี้อ๋อแสดงว่าคือคิดไปเองถูกไหมฮะใช่คือเป็นการคิดแต่การคิดนั้นจะคิดเป็นธรรมะหรือคิดเป็นอกุศลอกุศนก็ทิ้งไปคิดเป็นธรรมะเออได้ประโยชน์ก็เอามาพิจารณาได้นะอ่าใข้ควนทําได้อย่างนี้อืขอบคุณี่ครับ ครับก็จะขอถามเกี่ยวกับ อ, อ น, นิสงการทำทานนคะครับที่พระอาจารย์เคยบอกว่ า, าการทำทานที่หวังผลเพื่อที่จึงการลดลดในส่วนของความตันหนีกับการถือศีลห้าเนี่ยอันไหนที่ได้อ น, นิสงมากกว่ากันครับก็ถือศีลห้าเหรอใช่ครับที่บอกว่าถือศีล5้าเป็นมหาทาน สินห้าเป็นมหาทานศินห้าเป็นหนึ่งในคุณสมบัติโสดาบันแต่ต้องบวกกับโสตาไปยังขั้นสี่แต่ศินห้าอย่างเดียวเนี่ยเดียวอันเดียวเพียวๆนะยังไม่ใช่โสดาบันนะเพราะสินห้ายังที่ปริภาโชคไปเจอรักษาสินห้าตกนรกได้นะหลุดได้เหมือนกันนะแต่ถ้ามีใจปราศจากความตระหนิอันเป็นมนลทินนะี่ที่เป็นลักษณะของทานของโสดาบัน แต่อันเดียวก็ไม่ใช่นะอันนี้ต้องบวกกับมั่นคงในพระพุธพระธรรมพระสงฆ์สี่อันถึงจะเป็นโสดาบันนะอ่าคือยังมีอย่างอื่นประกอบด้วยอ่าต้องอีกสามตัวนะคุณธรรมสีประการที่ตัดกับช่างไม้ครับแล้วก็ที่ในส่วนของที่พูดถึงบัวสามเหล่าครับคือมีอะไรบ้างครับพอดีได้ยินมามีสี่เหล่าก็เลยงงครับ uh huh. แล้วก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ย พูดถึงบัวสามเหล่านี้ไปในแง่ไหนครับไปในแง่ไหนพระองค์บอกพระองค์งตัดกับราช ก, กุมารว่าพระองค์ตรวจ ด, ดูโลกด้วยพุทธจักรุแล้วเห็นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีอินทรีย์แก่กล้าบ้างอินทรีย์อ่อนบ้างมีทุลีในดวงตามากบ้างทุลีในดวงตาน้อยบ้างนะเปรียบเหมือนหนองบัวอุบลบัวปทุมบัวบุญทริกดอกบวัวบางเหล่าเนี่ยเกิดแล้วในน้ําเจริญในน้ําอันน้ําพยุงไว้ยังจมอยู่ในน้ำอ่า อุที่2ดอกบัวปทุมบับุญทลิกเนี่ยบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจเลยในน้ําอันน้ําพยุงไว้ตั้งอยู่เสมอพื้นน้ําอีกพวกก็คือโผล่ขึ้นพ้นน้ําอันน้ําไม่ถูกแล้วมีฉันดราชกุมารเราได้เห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นต่างๆกันฉันนั้นอย่างนี้เนี่ยก็มีแค่นี้ตัดกับราชกุมารในแง่ของอินทรีย์ของสัตว์โลกว่าสัตว์โลกนี้มีอินทรีย์ต่างกันใน3ระดับคือว่า สามประเภทนี้คือถ้าเกิดว่าใครปฏิบัติธรรมก็จะแล้วแต่อินทรีย์ของแต่ละคนใช่ทำให้ช้าเร็วต่างกันไงมไม่ใชเ่เป็นเพราะว่าเขาฉลาดกว่าอะไรไม่ใช่ก็คือมีองค์ประกอบเออินทรีย์เนี่ยก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาความฉลาดเนี่ ย, ยใช่แต่ปัญญาเนี่ยความฉลาดของผู้เชา้าคืออะไรเห็นเกิดดับไม้มล่ะ อย่างในหนังสือเบสเซเลอร์เนี่ยที่ไปเขียนเรื่องอนาปานบอกอนาปานเป็นแค่สมถะไม่ใช่วิปัสนาแต่ผู้เชาบอกเป็นวิปัสนาเข้า ว, วิมุิได้เห็นไหมนี่เขาก็ต้องปฏิบัติมานานแล้วแหละแต่เขาก็ไม่เห็นเกิดดับเห็นไหมปัญญาไม่เห็นเกิดดับก็แค่นั้นน่ะเป็นอย่างนั้น In อินทรีย์อ่อนนีด้านปัญญาก็นั่งสมาธิอยู่แต่ไม่เห็นเกิดดับ อ่าขอการพระอาจารย์ครับต่อจากเมื่อกี้นะครับคือสมมุติว่าถ้าเราจะทําทานนะฮะคือเมื่อเช้าบอกว่าเออจะเราจะถวายพระเนี่ยเราต้องทำจิตประจักความตันนีใช่สละทำจิตแล้วก็ปรุงแต่งจิตให้ให้ให้มีความสละใช่ผมก็มานั่งลองคิดเมื่อเช้าคุยกับพี่สองคนจริงๆเราถอยไปได้แต่เราตาเราไปเห็นของในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วนะว่าเฮ้ยโอ้นี่ของ อย่าซื้ออะไรของคนแพงไปอะไรเงี้ยคือคือเราละได้ตั้งแต่ตอนตอนที่เราจะจ่ายตังค์นู้นซ้ำไปไม่ใช่ว่าตอนที่เราจะมาให้มันมันตั้งแต่การควักตังค์จากกระเป๋าอืเราไปซื้อแล้วแต่ตอนที่เราให้เนี่ยก็อาจจะอีกขั้นตอนหนึ่งอาจจะมีสติหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ช่วงช็อตที่เราจะซื้อเนี่ยมันเป็นผมว่ามันน่าจะอมันน่าจะวิกฤตกว่านั้ตรงนั้นน่าจะแบบเราน่าจะปล่อยปล่อยได้มากกว่ากับเออกจากกระเป๋าเราเนี่ยมัน ใช่ใช่ไหมฮตรงนั้นมันตรงนั้นมันนั้นกว่าใช่ใช่ซึ่งซึ่งมันไม่งถ้าเราเราตรงนั้นมันก็มีเหตุอีกไงใช่ว่าเราจะควักเงินออกจากกระเป๋าเพื่อซื้ออะไรอ่าสมมติเพื่อซื้ออการน้ําร้อนสักอันหนึ่งแต่เพื่ออะไรเพื่อมาถวายพระเพื่อเอาไปใช้เพื่อเอาไปเป็นของขวัญอ่าแต่พอมาถวายพระปุ๊บโอ้มันต้องสละเนาะเนี่ยมันก็ได้ตรงนี้แหละตั้งแต่เจตนาที่ตั้งเจตนาละใช่ไหมอ่า แต่ส่วนพอตัวเอามาถวายปุ๊บเนี่ยก็ต้องเข้าไปอากแง่หนึ่งถวายด้วยความเคารพไหมด้วยความน้อมน้อมไหมด้วยมือของตนเองไหมใช่ไหมอย่างงี้ยจะแยกได้สองส่วใช่แล้วก็สมมติว่าถ้าผมจะบอกนักเรียนนะครับว่าโอ้เนี่ยเรานั่งอนาปานสติเนี่ยเราพอคุณนั่งเสร็จก่อนเข้าห้องสอบคุณไม่านั่งคุยหน้าห้องสอบหรอกคุณไปปีกวิเวกนั่งสมาธิส10นาทีแล้วค่อยไปสอบพอนั่งอนาปานสติเสร็จปุ๊บ คุณค่อยอธิษฐานจิตว่าเออก่อน uh huh. สอบได้อะไรเยอะๆ อ, อะไรก็ว่ากันไป uh huh. ตรงนี้ไม่ใช่การขอมันเป็นการอธิษฐานอธิษฐานจากการที่เราทำกรรมดี uh huh. กรรมหนักฝ่ายดีของเราเองเราเอาตรงนั้นมาใช้ก่อน uh huh. ไม่มีใครบันดาล ใ, ใ, uh huh. ให้เราได้ที่หนึ่งทั้งสินนะ้น uh huh. แต่สุดท้ายก็ต้องอ่านหนังสืออยู่ดีไม่ ง, uh huh. งั้นก็ไม่มีเหตุ ก็เหมือนคันมเมล็ดใช่ไหมครัว่าต้องเอาเหตุให้มันเกิดด้วยแล้วก็ไปอธิษฐานหลังจากที่เราทํากรรมดีตรงนั้นแล้วมันถึงจะประสบผลสำเร็จไม่ใช่ว่าอยู่ดีไปกราบพุทธ ร, รูปแล้วขอโน่นขอนี่เลยมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมก็ ม, มีความสับสน ร, ร, ระหว่างคำว่าอธิษฐานกับการขอสมมติว่าถ้าใครบรรดาเราไม่ได้แล้วเราจะอธิษฐานได้ได้ได้ยังไงมันก็มาจากกรรมของเราเองนั่นเองใช่ใช่ในตัวการอธิษฐานก็เปรียบเหมือนกัน การตั้งเป้าตั้งเข็มทิศของเราว่าเอ้เราจะไปทิศทางไหนเราปรารถนาอะไรนะอย่างนี้จะมีที่พระเจ้าบอกอะอยากจะไปพบภูมิไหนเนี่ย <c oughs> ตั้งจิตอธิษฐานจิตจเจริญจิตนั้นนะล้วก็จะไดนะ้นั้นตั้งจิตว่ายังไงนะล้วก็อธิษฐานจิตนั้นเนี่ยอยากขอไปเป็นสายแห่งนาคไปเป็นสายแห่งสุ น, นัข สหายแห่งยักษ์อย่างเนี้ยสหายของกษัตริย์มหาศาลพระมหาสาลอย่างเนี้ยตั้งจิตอธิษฐานจิตจเจริญจิตสามอย่างนะแล้วก็จิตจะไปตรงนั้นเนียนี่ก็จะวนอยู่ในสังสรารอย่างนี้ไปเรื่อยๆถามเรื่องกรรมฐานเพิ่มนะครับ อ๋อเช่นคือพระเจ้าบอกให้อยู่บอกให้อยู่ด้วยอานาปาญสติเป็นหลักใช่ไหมครัอ่าฮะทีนี้เมื่อไหร่ที่เราก็จะควรทําอสุภกรรมฐานมรณานุสติปัตตะกรรมฐานอย่าไปใช้นะเลิกใช้กรว่ากรรมฐานครับอคํานี้ไม่ถูกนะครับไม่ถูกกรรมฐานแปลว่าไปไถนาไปค้าขายอืมีคําเดียวพระเจ้าไม่ได้ใช้สําหรับการปฏิบัติภาวนาแปลว่าฐานะแห่งการงานของขลราชัตร์ ถ้าอย่างพจน์อสุภะมรณาเนี่ยคนจะเรียกว่าอสุภะสัญญาครับรือเจ้าเรียกอสุภะสัญญาอาทีนวะสัญญาอ น, นิจจสัญญาอนัตตาสัญญาสัญญาในความเป็นปฏิกูลของอาหาระสัญญาในความเป็นปฏิกูลของร่างกายอย่างนี้อืมจะใช้เมื่อไหร่ใช้เมื่ออยากจะใช้อ่ะนะ ในเมื่อโยมเดินเส้นทางนี้แล้วมันถึงมรรคผลนิพพานนะโยมมีอยู่สามสามเส้นทางหนึ 1, 2, 3, 1, ่งสองสามหนึ่งก็เข้านิพพานได้เดินไปครึ่งทางผมต้องไปเดินเส้นทางที่สองไหมครับอ ม, มันจําเป็นไหมล่ะใช่ไหมก็ทางนี้ก็ไปเดินไปเรื่อยๆก็ถึงนะพอเดินเส้นทางที่สองย้อนกลับามาใหม่มาเดินเส้นทางที่สองไปได้ครึ่งทางผมต้องเดินเส้นทางที่สมไหมครับ อยากจะเดินก็เดินย้อนกลับไปใหม่คือจะ ต, ตัดไวสอนไวหลายอย่างในใี่คือเพื่อ น, นำคนหลายประเภ ท, รเภทหรือ<ช>ว่าใช่ค่ใช่มากวิธีคนที่มีอินทรีย์ภาวนาต่างกันใช่ไหมอ่าทตนี้ก็ไม่มีใครรู้ว่าเรามีอินทรีย์ภาวนาแบบไหนมากหรือน้อยนายโยมก็ไม่รู้ของคนอื่นด้วยมีผู้เจ้าองค์เดียวที่รู้นะโ <c oughs> ยมจะทำยังไงกูเจ้าก็บอกให้เลือก นะสิ่งที่พูุทธเจ้าสรรเสริญพอพระุทธเจ้ามองคนทั่วทั้งโลกไปหมดแล้วใครมีอินทรีย์ภาวนาแค่ไหนวิธีไหนจะดีที่สุดนะง่ายไหมละ่ะ<อ>เดินตามพูุทธเจ้าไม่ต้องคิดมากนะเนี่ระดับสัพพัญญูยมไม่ธรรมดานะวิเคราะห์ขาดแล้วเนะ ข, กขากาดแ็่พระจันระ์ พอดีเมื่อกี้ได้ยินพระอาจารย์พูดถึงอนัตตสัญญาค่ ะ, ะโยมเคยอ่านพระสูตร<อ>ที่บอกว่ า, อ, าอนัตตสัญญาทําให้อัสมิมานะจางคลายค่ะแต่โยมไม่เข้าใจคําว่าอัสมิมานะความถือว่าตัวเราว่าของเรานั่นก็คือมันจะทําให้ปฏิปทาการที่ความดับไม่เหลืองสักายะปรากฏขึ้น คือเนตัมมงมะมะเนสโอมัสมิณะเมสวัตามันก็อันเดียวกันนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราความถือว่าตัวเราว่าของเราอันเดียวกันมามันก็เหมือนกันนะนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราของเราเป็นเรามันหมดไปอสมิมานะไง่เรามีพระสูตรที่บอกว่าอานาปนาสติจะทําให้อัสมิมานะจางคลายก็คือชอันเดียวกัน หลุดพ้นเลยอั น, นิสงของอาณาปณสติสูงสุดคืออะไรพระระหันหรือพระนาคามีพอไหมเลยจะวิ่งไปทำอสุภาษามทำไรไหรือไม่ไม่ต้องไปสนใจแล้วนะครับขอการพระอาจารย์ครับผมอยากถามเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างอาณาปณสติกับเข้าบีมุตเล ย, ยนี้ครับ อนาบัณฑิตเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องเริ่มต้นด้วยอย่างพิกสูข้าสู่โคลนป่าเลือนว่างมีสติหายใจเข้าเอันนี้อันนี้เป็นเบสิกครีควายไม่เลยต้องมีสติหายใจเข้าหายใจออกก่อนแล้วเนี้ยสี่ฐานเหมือนเราเลือกเดินนะฮะประตูไหนก็ได้ทางไหนเราจะจ้ำก็ได้แต่ว่ามันจะเวลาจ้ำเนี่ยมันก็จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนวิญญาณขันมันเปลี่ยนอีกทีนึงเสเวลาใช่แค่เสียเวลาแต่มันก็ทําได้ตอนนี้พอเข้าไปปุ๊บอีกด่านหนึ่งก็จะเป็นพุทธชง ใช่โพชงเจ็ดโพชงเจ็เข้าลูตรงไหนก็ได้มันก็จะไปลิงก์สุดท้ายถึงอุเบกขาอยู่ดีมันไหลไปอยู่ดีจากที่เอยู่ดีใช่ใช่ฮะพออุเบกขาเสร็จปุ๊บมันก็จะไปอีก3 4สเต็ปก็คือเวิราคะแล้วก็วิเวกวิเวกวิราคะนิโรธแล้วก็โวสะขาอันนี้มันจะเป็น4สเต็ปสุดท้ายส่วนโพชงเนี่ยมันจะเข้าตรงไหนก็ได้มันก็จะไหลลงไปอุเบกขาอยู่ดีใช่ใช่ไหมอาจจะเป็นปสสัที่สมโพชงเสร็จปุ๊บมันก็จะไหลอยู่ดีถึงแม่ผู้เจ้าแับว่าปัสสัตที่เสร็จปุ๊บก ก็เป็นวิเวกวิราคะที่ที่พระผู้เจ้าจะตับแยกเจ็ดเจ็ดเจ็ดครั้งนะฮะแต่ท่านเหมือนเหมือนท่านจะตับย่อใช่ไหสุดท้ายงูถ้าไปปฏิสติปุ๊บมันก็จะปุ๊บไหลไปอุเบกขาอยู่ดีแล้วค่อยไปวิเวกวิเววราคะนิโรดนิโรดแล้วก็โวสักั์ที่ทิ้งหมดเลยแมวธรรมงศธรรมะแมวโยนทิ้งหมดแล้วก็เป็นพระอรหันต์นะณตรงนั้นใช่อเคขอบคมาครับ เวลาถ้ายมทําอนาปา่าไปเรื่อยๆจนจํานานเนี่ยยมจะรู้เองว่ายมกลับไปใช้อาสุภาพไม่ได้ละเพราะมันปรุงแต่งยมจะรู้เองว่ายมใช้มรรวิธีที่สร้างการปรุงแต่งไม่ได้ละใครจะมาให้ยมใช้พิณาอาหารเป็นปฏิกูลโอ้มันปรุงแต่งมันสร้างภพนี่ว่นะนะอนาป่ามันไม่ได้สร้างภพเลยอ่ะมันเหลือภพสุดท้ายคือลมหายใจคือรูปธาตุอย่างเดียวภพที่เหลือทิ้งหมดนะแต่ยมไปนั่งเนี่ย พินาอาหารเป็นปฏิกูลโอ้โหสร้างภพมันว่างคิดเนี่ยไปนั่งคิดสัญโยคะเนี่ยจิตผูกอารมณ์ตลอดเลยนิยมต้องรู้พระสูตรเหล่านี้ต้องรู้พระสูตรที่พระเจ้าบอกว่าพบแม้ชั่วรัดนิ้วมือเดียวก็น่ารังเกียจเหมือนมูดคูดเฮ้ยพบเกิดตลอดลแถมเกิดยาวด้วยนั่งปรุงอยู่นั่นนะนะโยมจะปฏิเสธมรกวิธีพวกนี้โดยอัตโนมัติเลยพอโยมได้เครื่องมืออย่างดีมาโยมจะออกไปลบมีคนวางมีด นะวางค้อนวางขวานวางเอ็มสิบกให้เนี่ยคอโย้มหยิบเอ็มสิบกพวกมีดหมดราคาเลยนะใครอยากใช้ก็ใช้ไปนะขอกระบอกเดียวจบเลยเนี่ยเป็นอย่างนี้นะพร ะ, าะอาจารย์ครอือือเนียนนะ เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ฉลองที่ใหม่ <c oughs> อาจารา์คะต่อเมื่อกี้นะคะก็คืออนาปาเนี่ยการที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันจะเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จิตจะดับนั้นคือเป็นสิ่งที่เขารู้แจ้งแล้วนั่นหมายความว่าเราจะเมื่อถึงจุดหนึ่งก็คือการรู้แจ้งของการลมหายใจสุดท้ายลมออกหรือลมเข้านะั่นนั่นคือการวกสังขะคือการ สลัดออกตรงนั้นนั่นเลยใช่ไหมคะโดยที่เราไม่ต้องต้องมีชามมียาเลยเรารู้เพียงว่ารู้ตัวมีสติสัมชัญญาต้นนั้นรู้ทันทีเลยว่าเราจะสลัดแล้วประมาณนั้นเลยนะคะท่านอาจารย์คือพอจิตยอมตั้งมั่นได้เนี่ยตรงนั้นจริงๆเนี่ยอยู่ไม่ไปไหนแสดงว่าความอยากในการแสวงหาพบไม่มีถูกต้องไหมเพราะว่าตั้นหาไงเพราะจิตเนี่ยจะออกไปหาอารมณ์ตลอดเลยถูกต้องไหม แต่ยอมจับมันมาอยู่ตรงนี้ได้โดยที่ไม่หลุดไปคิดไปนึกไปรู้สึกอะไรเลยเพราะว่าตัณหาถูกเผานะนั่นแหละพระเจ้าจึงเรียกว่าเธอกําลังเพียนเผากิเลสอยู่ตลอดเวลาเผาเพราะว่าตัณหาตัณหาคือความอยากภาะวะคือพบความอยากในการที่จะไปสู่พบหมดไปเหลือพบสุดท้ายตรงนี้และเมื่อกายแตกทาลายพว่ะพบใหม่ก็ไม่มีพระเจ้าก็บอกก็เข้าวิมุติเลยไนงะอย่างนี้ วิญญาณสร้างลูกนามขึ้นมาไม่ได้นะจะสร้างนามมาได้งไงขนาดกายยังไม่แตกทําลายยังสร้างไม่ได้เลยก็โยมมีสติตลอดไม่ให้มันเกิดพบใหม่ใช่ไหมพอพบที่ตนเองอยู่แตกทําลายพวเนี่ยว <c oughs> ิญญาณว่างเลยวิญญาณว่างจากอารมณ์ทันทีเลยวิญญาณว่างจากอารมณ์โยมก็เข้าช่องว่างในที่คับแคบได้เป็นที่ที่ไม่มีวิญญาณและไม่มีนามรูปเข้าใจไม่มเนี่ยโอ้โหพระเจ้าอธิบายเราจะเห็นถ้า ละเอียดตามพระเจ้าจะเห็นภาพชัดหมดเลยว่าเป็นอย่างนั้นนะเป็นด้วยเหตุด้วยผลด้วยบทพันธะคำพูดที่อธิบายให้คนเข้าใจได้นี่อย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ช่วงขณะใดของของการดำรงชีวิตอยู่สมมติว่าเราจะ ป่วยตายนั่นคือเราจะมีสมมติว่ า, ม, ม, วามีโอกาสได้ทําจิตาาแต่ถ้าสมมติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างที่เกิด อ, อุบัติเหตุในช่วงของจิตขณะนั้นแสดงว่าถ้าเราทําจนชํานาญเราจะเกาะลมหายใจทันทีแล้วเราก็คือจะเหมือนกับสลัดออกตอนนั้นได้เลยประมาณนั้นใช่พระอาจารย์คือจะไม่ ช, ช่วงจังหวะของความเร็วของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นแสดงว่าถ้าเราสามารถเกาะตรงลมหายใจของเรารู้สติปุ๊บเราสามารถไปได้ส่วนกายที่ตายจะเป็นยังไงก็ ช่างมันประมาณนั้นใช่เร็วนะไม่ทำจิตหรอกจิตเร็วที่สุดนะยมคิดถึงดวงอาทิตย์ก็ถึงเดี๋ยวนี้นะเพราะนั้นกายภาพเนี่ยมันช้ากว่าจิตจิตมันฟุ๊บเตียวนะครับขอขอาอจารย์ครับ <c oughs> คื อ, อ <c oughs> ช่องว่างที่แคบครับ <c oughs> ผมเช็คในพระสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้ ว, ว่าโอกาสในที่แคบท <c oughs> ่านจะใช้ว่าโอกาสนที่แคบ มีมีมันมีหลายครั้มีช่องว่างด้วยฮะมีโอกาสในที่แคบเฉยๆช่องว่างในที่แคบมันสํานวนมันอ่แต่เป็นสไตล์เดียวกันหมดอย่างเงี้ยออ่าจะมีหลายสํานวนก็คือความเข้าใจของผมคือว่าสมมุติว่าเราจะเห็นการเกิดดับพุธสุธานเราจะวูซัคาแล้วเนี่ยอสมมติเราจับอยู่ที่ลมอยู่บวิญญาณตัวใหม่จะเกิดก่อนที่มันจะเกิดเราทิ้งมันแล้วอเพราะว่าเราทิ้งนั่นเองไงเราถึงเข้าไปรูนี้ได้ถ้าเราทิ้งไม่ทิ้งมันมันก็ไม่สามารถที่เข้าได้มันก็จะมีการการเกิดการร้อนเนี่ยกันไป เหมือนเรต้องทิ้งไปก่อนอจะเข้าได้ใช่ใชท่ น, นี้ท่ น, นี้จะทิ้งเนี่ย <c oughs> จะทิ้งเนี่ยโยมจะทิ้งได้ยังไงเพราะโยมเห็นโทษเนี่ยโยมเห็นโทษจมโยมไม่อยากได้โยมต้องเห็นนั่นคือโยมต้องกลับมาเห็นวิญญาณเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิด ด, ด, ดับไปเรยจนแบบเบื่อหน่ายได้วิญญาณว่าไอ้วิญญาณไม่ใช่เราไม่มีอะไรแล้วโยมถึงจะสลัดคืนคือไม่อยากได้วิญญาณดวงใหม่ต่อไปคราวใดที่พอวิญญาณดวงเนี้ยดับ แล้วยอมไม่อยากได้วิญญาณพอเดี๋ยวได้ไปก็ดับอีกเลยยมปล่อยวางพวกนี้ก็คือข่าวิมุตต์เลยนะเขาพยายามจะมานั่งคิดถึงเหมือนฟิสิกส์ครับว่ามันจะเข้ารููตรงนั้นได้ยังไงก็เหมือนกับว่าก่อนที่มันจะเป็นขันใหม่เกิดขึ้นมาวิญญาณจากบขันใหม่เราทิ้งมันไปก่อนไงนจะเข้าตรงนี้ได้ช่ชองว่างระหว่างตรงเนี้อย่างนี้มันจะเกิดเรื่อยๆแต่มันไม่ได้เป็นการการไปทิ้งเพราะเรายังไม่ได้ไปจับใช่ไหม แต่เพราะว่าวิญญาณดวงที่เราดำรงอยู่และเราถือว่าเป็นตัวเราเนี่ยมันจางคลายและดับไปบและเราเกิดความรู้ขึ้นขณะเดียวกันว่าวิญญาณเนี่ยไม่ใช่ของเรา<ม>แล้วก็ไม่น่าพอใจ<ม>อีกต่อไปแล<ม>้ววิญญาณดวงใหม่ที่จะเกิดขึ้นสัตตานังจริงไม่ไปจับฟ<ม>ืบเข้าไปอ่ามันก็เลยเหมือนกับไม่ไม่ต้องไปทิ้งไอ้ดวงใหม่ทิ้งไอ้ดวงเก่าเลยนะพอดวงเก่าจางคลายและดับไป สมมุตวิว่ามันยังไม่จางคลายยังไม่ดับโยมก็ตั้งจิตมั discard, ่ Ping, ne, นไว้นั้นเฉยๆเพราะองค์จึงบอกอาศัยวิเวกจิตที่ตั้งมั่นวิลาคะเดี๋ยวมันจางคลายเองวิญญาณไม่มีเกิดและเกิดถาวรยังไงต้องดับแน่รอเวลามันดับแค่นั้นเองมันก็จางคลายนิโรธพอดับชั่วน้อมไปเพื่อโวสักะไม่เอาอะไรเลยใช่ใช่ พระอาจารย์เราเข้าใจที่เราคุยกันอย่างนี้ฉะนั้นถ้าเราจะทําได้ก็คือเราก็คือต้องเจริญอนาปาสให้ตลอดนานเลยนะคะพระอาจารย์ทําซ้ําจนกระทั่งมีกําลังมีฐานทีนี้กว่าจะมาถึงตัวเนี้ยนี่คือเราที่เรากําลังพูดนี่คือตัววิญญาณ น, นะแต่เรายังเพลินกับอารมณ์อยู่เลยคือเพลินในสิ่งที่วิญญาณไปรู้ะนะเพราะอารมณ์ต่างๆเนี่ยคือวิญญาณต้องเข้าไปตั้งอาศัย วิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยแล้วไม่พอโยมก็หายไปกระมันครึ่งชั่วโมงอย่างนี้เนี่ยก็เลยต้องเอาตรงนี้ก่อนจึงต้องมีการละนันทีเพื่อให้อารมณ์ที่เราเพลินไปมันสั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆใช่ไหมพอสั้นลงดุจกระพริบตาผู้เจ้าก็ชมแล้ให้ใช้ได้ละใช่ได้จุ่นละจุ่นละใช่ไหมอ่าอย่างเนี้ยเพราะว่าขนาดแค่กระพริบตาเดียวนั่นคือโยมยังสร้างอารมณ์แล้วนะสร้างแล้วหนึ่งกระพริบตาแล้วปล่อย พบเกิดแล้วนะเพียงแต่ไม่เอาจิตผูกไปกับอารมณ์นั่นเองแต่สร้างอารมณ์ขึ้นมาแล้วปั๊บดับปั๊บดับพบเกิดไหมเกิดนะแต่ไม่สร้างชาติได้พลิเดียวใช่ไหมแบบ น, นี้มันก็มันก็คือการการละนันทีก็คือรีบสลัด สาระให้มันเร็เวขึ้นเร็วๆสุดสุดท้ายเนี่ย<ช>มันเลยเป็นของมันเองช่จนสุดท้ายปุ๊บปล่อยวางก็ปล่อยของตัวมันเองมันก็คือตัวมันเองท้อ<ช>ว่างแคบๆอ๋อนี่คือนี่คือประโยชน์ของการมีอินทรีย<ช>์โอนาชลเลอรก็คือตรงนี้กลับเข้ามาสู่ตัวเอง ใ, <ช>ให้สุดปุ๊บสุดสุด<ช>ท้ายตัวเองอหละละของตัวเองซะแล้วก็จบเกมตรงนั้นไปใช่และทีนี้มาวิเคราะห์ดูการพิณารุไอ้พวกอสุภะพวกอาหารเป็นปฏิกูลใช่ไหมไอ้พวกนี้สร้างภพ แล้วก็ปรุงไปอสุภาพปรุงไปสันโยค้าไปเกิดปีติเกิดความสุขจิตทั้งมันอะไรไปเสร็จแล้วก็ละไปะสร้างใหม่อสุภาพใหม่หรือไปยกวิโตวิจารณอาหารเป็นปฏิกูลเนปรุงไปปรุงไปเห็นนะอ่ะาท่นี้ไอ้อสุภากาหารเป็นปฏิกูลจะเกิดได้ต้องยังไงต้องละอกุศลใช่ไหมอ่เพราะนั้น <c oughs> คนที่ยังทําอสุภาพไม่ได้อาหารเป็นปฏิกูลไม่ได้คือปรุงธรรมะไม่ได้เพราะว่าอะไรอกุศลนั้นเต็ม ดังนั้นอันดับแรกก็ต้องละอกุศนก่อนเนี่ยอักุศนมีอะไรบ้างอ้าวทีนี้ก็เริ่มแจกแจงไปใช่ไหมในระดับของศีลระดับของวาจาระดับของกายระดับของใจใช่ไหมระดับของใจก็จะมีก ร, รมฉันทะพยาบาทีนมิทะอุททะจกักุกุจักวิจิกิจชาน่ยลงไปการมภัยบาทเบียดเบียนอะไรอย่างนี้อ้าว เ, เคลียพวกนี้ให้ได้ก่อนเพราะพอเคลียพวกนี้ไม่ได้เนี่ยโยมจะมาปรุงอสุภะปรุงอสุภะไปสักพักหนึ่งไปแล้ว เป็นเดินช้อปปิ้งเซ็นดันแล้วนะไปปุ๊บไปเที่ยวต่างประเทศแะไปโน่นไปนี่มันจะปรุงอะไรได้นะี่ยปรุงอะไรไม่ได้สักอย่างเพราะมันมีตัวปรุงแทรกเข้ามาปุ๊บฟับปุ๊บฟับเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยโมจะอุทิศบุญกุศลกําลังกล่าวอุทิศแอบไปโน่นเลยละแล้วบอกว่าอุทิศบุญกุศลไม่ต้องละนิวรณ์หมันเข้าใจนิวรณ์ห้าหรือเปล่าไม่รู้มันซ่านอยู่ตลอดเวลาจิตคนนะ่ะใช่ไหมครูเจ้าจึงบอกจิตที่ละนิวรณ์ห้าได้มันไม่มีกําลัง เจะคิดแป๊บหนึ่งแล้แฝบไปโ น, น่นเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยนะอ่าเชนอาจารย์ครับ <c oughs> ปัญญาเนี่ยเป็นตัณหาหรือ<ะ>ว่าเป็นวิญญาณเอัปัญญาเนี่ยเป็นวิญญาณที่เข้าไปเกาะสัญญาหรือสังขาร น, ะ, นะอ่าซึ่งต้องอาศัยตัณหานั่นแหละนะซึ่งต้องมีตัวนี้ก่อนตัณหา ในธรรมะเนี่ยต้องมีก่อนที่พระเจ้าเรียกว่าธรรมาราโมมีธรรมเป็นที่มายินดีนะปหานาราโมมีการปหากิเลศเป็นที่มายินดีอัพยาปชาราโมมีการไม่พยาบาทเป็นที่มายินดีภาวนาราโมมีการภาวนาเป็นที่มายินดีสิ่งเหล่านี้ต้องมีก่อนถ้าไม่มี <c oughs> มรแปดมันปฏิบัติขึ้นมาไม่ได้ดังนั้นต้องหยิบตัวนี้ขึ้นมาใช้ก่อนนะอ่าอย่างนี้ อแต่สุดท้ายเวลาปัญญาเราไปคิดว่าออ่ตรงนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรามันก็ยังช้าอยู่ดีสุดท้ายก็ต้องละที่ไปเลยปุ๊บต้องละไม่งั้นมันไม่มีทางที่จะเข้าใกล้เข้าละคนสุดท้ายไดก้ก็อยู่ที่เราเนี่ยปฏิบัติอยู่ในขั้นไหนไงสมมติปฏิบัติอยู่ในขั้นของปล่อยรูปเพวกนี้ก็จะคิดปุงแต่งหยิบน ม, มาทํามาคิดเพื่อปล่อยวางรูปพอปล่อยวางรูปได้ลอะอะสมมติโยมเป็นคนที่ปล่อยวางรูปได้แล้วหมดหรือยังยังไม่หมดเลย ยังเหลือนำมาทำมต้องสี่ตัวใช่ป่ะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณธาตุรู้สัญญาสังขารเนี่ยการปรุงแต่งไปเนี่ยอดีตอนาคตอ่าเวทนาสุขทุกขเวขาเนี่ยใช่ไหมอ่าทีนี้โยมจะปล่อยพวกนี้ยังไงโยมก็ต้องมาเล่นนามธรรมละเพราะสิ่งเหล่านี้ยังเกิดดับ <c oughs> ใช่ไหมทีนี้โยมก็มามาปล่อยอะไรอะจะปล่อยวิญญาณนะมันก็จะมองไม่เห็นเพราะมันจะเห็นแต่อารมณ์ ที่วิญญาณเขาไปรู้มันจะเห็นแต่การปรุงแต่งโยมก็ต้องดูว่าเอ๊ะปรุงแต่งดับไหมอ๋อดับนะปรุงดับเอ๊ะปรุงเป็นปัญญาดับไหมเราสร้างปัญญานะเห็นอันนี้ไม่เที่ยงใข้คั้วนั่นนะผลที่สุดก็ดับไม่มีใครคิดธรรมะทั้งวันนะแอบดับอยู่ดีเออมันก็ดับได้ปัญญาก็ดับได้เหมือนกันนะเราก็มาเห็นแล้อารมณ์เนี่ยดับไปได้ก็ต้องคอยพออารมณ์ดับได้แสดงว่าอารมณ์เนี่ยมันไม่ใช่ทำแท้ เมื่อมันไม่ใช่ทําแท้เราก็ต้องละมันเราก็ไม่ให้จิตผูกอารมณ์ดังนั้นคิดมาปุ๊บวางคิดมาปุ๊บวางนึกอดีตปุ๊บวางคิดวางวางวางพอวางความคิดความจำไปเรื่อยเืเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าเรเข้าไปเรื่อยเรปุ๊บโยมจะเห็นแล้วว่ามันมีนิ่งกับคิดนิ่งกับคิดเอ๊ะขณะไปคิดใครเป็นคนไปทีนี้จะเริ่มเห็นวิญญาณอ่าวิญญาณที่เป็นท่าลู่เฉยเที่วิ่งไปวิ่งมาวิ่งมาวิ่งไปอย่างนี้ นี่รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหละอ่าเป็นอย่างนี้เนี่ยรู้จักจิตละไม่ใช่อารมณ์ที่จิตไปรู้ละอ่าแล้วยมก็จะรู้ว่าเออไม่เที่ยงหรอกเกิดแล้วก็ดับไปนี่กระปุงนี่ก็ว <c oughs> ิญญาณไปรู้ปรุงแล้วฟื้อไปนิดหนึ่งแล้วก็ดับเนี่ยเห็นนะอ่าอยู่ที่ทขั้นตอนการละของแต่ละคนแล้วนะคือว่าไม่ต้องไปสนใจอะไรมันว่ามันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จิตกระดิกนิดนึง ใช่นี่ไงมันก็กมาเข้าวิธีสักแต่ว่ารู้รอโยมก็จะเริ่มเห็นมาวิธีแล้วอคนมีอินทรีย์ขนาดนี้นะครูเจ้าอไปสักแต่ว่ารู้รู้มาปุ๊บวางรู้มาปุ๊บวางเจ่บไหมทีนี้จะบอกกับคนที่ยังไม่รู้มาถึงอย่างนี้นะโอ้ยมันจะได้อะไรเนาะสักว่ารู้จะต้องใช้คิดก่อนอ่งานไปคิดให้พอกัอน <laughs> อย่างเนี้ยใช่ไห<ช>ม<ะ>ซึ่งมันก็ต้องเป็นพื้นฐานจะมาเรื่อยๆ เ, เป็นพื้นฐานจะมาเรื่อยๆอยู่ดี แล้วเรื่องอินรีย้าครับอาจารย์อินรีย้เนี่ยตัวที่สำคัญที่สุดที่ผมก็เคยเคยให้คอมเมนต์คือสุดตะเออคือศรัทธาส้าัทธาผิดเนี่ยอีก4ตัวมันผิดหมดเลยมันพังหมดเลยอ่าแล้วสมาธิเนี่ยมันต้องเป็นสมาสมาธิอ่าใช่ไหมฮะชั้น1 23 4อามสี่ออันดับที่4เนี่ยเป็นอันดับที่ถือว่าออปติโมเหมือนกันนึ่งถึงเนี่ยถ้าเกินกว่านี้มันอาจจะเกินไปหน่อยนึงพระเจ้าเลยตัดในในมัดสมาเออ สมาธิว่าให้หนึ่งสองสามสี่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทําสมาธิตำก็ชาหนึ่งไปเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นไม่สามารถที่จะเป็นอรหันต์ได้เพราะว่าครบห้าอย่างไม่ครบคือได้ได้แต่มันมันกําลังมันไม่มากอ่ะแล้วมันจะเป็นจัดเป็นพวกทุกข์ขาไงหาสุขมันเกิดจากการประพฤติปฏิบัติไม่ได้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอ่า มันก็จะเป็นพวกทุกขาที่บอกว่าไม่ได้ชาหน 1, 2, 3, ึ่งสอสอพวกนี้พวกพวกไม่ได้ชาหนึ่งถึงอ่าอย่างนี้แล้วจะมีวิธีหลายบ้างผู้เช า, าก็จะบอกไว้แสดงว่าสมาธิสมาธิอินทรีย์เขาอาจจะต่ำตรง น, นั้นอาจจะต่ำไปหน่อย่ตแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่า<ร>มันไม่จะเป็นว่า5 <ม>้าอันมันต้องสุดหมดทั้งหาอันมันอยู่ที่ส่วนประกอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ใช่ใช่<ม>ใช เพราะนั้นก็คือว่าอยู่ที่เราอินทรีย์ของเราเพราะฉะนั้นเราจะเป็นทุกขาปฏิบัติทุกขาแล้วก็ได้ยากหรือทุกขาได้ง่ายก็ก็เลือกได้อก็เป็นสูตอยู่ที่อินทรีย์ของเรานะครับพระอาจารย์ค่ะแต่ก็คือไปสู่จุดหมายของวิมุตเหมือนกันนะคะค่ะเพราะบางครั้งกันึกว่าเอ๊ตัวเองยังสมาธิยังสุขขายังไม่ถึงอย่างเงี้ยก็ยังยังมีกําลังใจในส่วนที่ พระเจ้าท่านได้บอกไว้เหมือนกันนะคะใช่ส ม, มาส ม, มาธิอันเป็นอริยะเนี่ยมักแปดจีบข้อใดข้อหนึ่งขึ้นมาทําเนี่ยเช่นสัมมาสังปะมาวางคิดอุปสนวางคิดอุปสนวางตลอดเลยมักแปดครบห้าขึ้นมาทั้งหมดเลยเนี่ยอย่างเนี้ยมส ม, มาธิตรงนี้ก็เป็นสมาส ม, มาธิอันเป็นอริยะเอื้นกสติปัฏฐานสี่พระเจ้าก็ในมุมของทั้ง 4, สี่สติปัฏฐานเลย ก็จะไม่มีอันไหนบอกว่านี่คือชันหนะึ่งสสามสี่ขณะที่รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตนะี่ทำจิตให้ตั้งมั่นนะทำจิตให้ปราโมทย์จิตให้ตั้งมั่นทาจิตให้ปล่อยนะหายใจเข้าหายใจออกไม่ใช่จตุตฌานแน่นอนใช่ไหเพราะจตุตฌานไม่มีลมหายใจเข้าออกใช่ดังนั้นสติปัฏฐานทั้งสี่มีหายใจเข้าหายใจออกทั้งหมดเลยจิตปกติเรานี่แหละ และสติปัฏฐานสีที่หายใจเข้าหายใจออกไปถึงวีมุตได้เลยนั่นคือขณะที่หายใจเข้าหายใจออกเนี่ยจิตสามารถดำเนินไปจนถึงวีมุตได้เลยเนะี่ยทั้งสติปัฏฐานสี่ทั้งสี่ข้อเลยอย่างเงี้ยเนี่ย <c oughs> <c oughs> เก็บเก็บประเด็นของพระเจ้าจะมีรายละเอียดและทำให้เป็นตัวชี้ชัดในทุกเรื่องเลยว่าอันนี้ใช่ชาญสีไหมอันนี้ไม่ใช่ใช่หรือไม่อเนี่ยคำพระเจ้าจะบ่งบอกหมด อาจารย์หมาถึงในสัมมาสมาธิเนี่ยชั้นที่สี่นี่ยังมีหมายถึงอานาปัสสียังมีลมหายใจอยู่ใช่ไหมฮะใช่ก็แสดงว่ายังไม่ถึงชา้นที่สี่ไม่ในสติปัฏฐานสี่ในสติปัฏฐานทั้งสี่เนี่ยยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ทั้งหมดเลยนะมันจะยากจากตัวตัวชา้นสี่ละอ่าซึ่งพวกนี้ก็คือสมาธิที่ที่ไม่ได้ในชั้นสี่น ะ, ะแต่ก็หลุดพ้นได ตัสติประฐานสีเนี่ยข อ, ขอบคุณครับเพราะว่าเวลาเราไปลิงค์ไปถึงวัวสักขะแล้วเนี่ยมันไม่เห็น<ะ>มีอะไรที่ต้องแบบว่าไม่ต้องหายใจเลย ม, มันหายใจก็เข้าตรงนั้นได้เหมือนกันไม่จำเป็นหยุดหายใจหรือว่าไม่มีลมหายใจใช่ใช่ใช่โอ้ยอย่างนี้แบบว่าคนที่เขาบอกว่าปฏิบัติไปเลยเรียนนิดหน่อยพอปริญญาตแล้วไปปฏิบัติมัน ในฐานที้เป็นไปไม่ได้นะมต้องเรียนทฤษฎีก่อนว่ามัต้องทํำยังไงแล้วค่อยไปปฏิบัติพระพุเจ้าท่านแบ่งเวลาเรียบร้อยแล้วมันจะมันจะหลุดพ้นช้าไงพระผู้ทธเจ้าจึงบอกว่าการสั่งสมสุตตะเนี่ยเป็นธรรมะที่เกื้อกูลต่อการเจริญอาณาปานสติยมจเจริญอาณาปายไปอย่างเดียวไม่สั่งสมสุตตะกรอบความรู้โยมจะแคบไงกรอบความรู้จะแคบมาทําให้ไปมันทางเดียวนี่แหละอนี้นะอื้อ มันก็พลิกแพงไม่ได้เลยอ่าจริงจรมันเกื้อกูลน่ะอือย่างถ้าคนรู้ว่าต้องชานสี่แล้วหลุดพ้นอ่ะไปพยายามทําชานสีได้ก็ได้แต่มันถ้าไม่ได้สักทีมันก็นานอยู่อย่างนั้นนะตื่นตูอยู่กับเรื่องสมาธิอยู่งั้นะแต่ถ้ารู้ว่าเอ๊ะหนึ่งสองสามก็ได้อ่ะเราก็สองได้สามได้งั้นก็อยู่ที่สองที่สามเห็นเกิดดับซ้ำๆซ้ําไปเรื่อยๆนี่ไง มันก็หลุดพ้นได้อย่างนี้ร้าที่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็ฟังมาอย่างนี้ต้องฌานสีเท่านั้นอดข้าวหนึ่งเดือนเพื่อที่จะให้ได้ฌานสี่ห น, นึ่งเนี่ยบวชมาเกือบยี่สิบพรรษาแต่ก็ไม่ได้ท้อใจวโอ้ไม่ได้ฌานสีก็เลยเนี่ยมันแคบมหมเนี่ยผลของการที่มีองค์ความรู้แคบไม่สังสมสุตต ะ, ะเพราะมีแต่สุตตะสาวกไง และสาบกไม่ได้แตกฉานในสุดต่างไงจึงต้องมาอ่านพุทธวจนะไงเพราะตะถาคตเป็นมรคกูวิโทฉลาดในมรคโยมต้องไปโยมก็จะเก็ตคําพระเจ้าสักคํานึงแน่นอนอ่านไปอ่านไปเออโอ้โหใช่แล้วตรงนี้เชื่อมกับของเรานี่เองอะไรอย่างเนี้แล้วมันจะต่อไปได้เร็วอเลยข่าการทพาจารย์จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราจะให้กําลังใจกับผู้ที่ปฏิบัติแล้วยังไม่ได้ชานต่างๆเนี่ยค่ะ ยงเข้าใจว่าจริงๆถ้าเกิดแค่พยายามอยู่กับลมหายใจละอกุศลแล้วก็พยายามเห็นการเกิดดับแค่ปฐมชาแค่ปฐมฌานที่หนึ่งก็สามารถบรรลุทำ ไ, <ง>ได้ใช่ไหมถึงจะไม่ถึงปฐมฌานแต่จิตยมตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจแล้วเห็นการเกิดดับทำเท่านี้ก็พอละ<ช>นิวรณ์ห้าดับอกุศลดับไม่คิดการไปบาดเปรียดเบียนอยู่กับลมหายใจเห็นเกิดดับเห็นเกิดเห็นดับกรรมแค่นี้ก็หลุดพ้นได้อย่างนี้ อามาว่าเวลารู้คำพุทธเจ้านั้ง่ายทําให้การปฏิบัติง่ายขึ้นแล้วมั่นใจด้วยว่าง่ายแบบใช่อ่ะไม่ใช่ง่ายแบบไม่ใช่เนี่ยอ่าอื่าดึงกลับมาที่ลม ใช่ใช่ใช่ถูกต้องใช่เพราะถ้าจิตโยมอยู่กับลมเนี่ยจนกระทั่งกายแตกทําลายเนี่ยเขาวิมุตไดแน่นอนพระุทธเจ้าบอกเลยว่ากายยคตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมัตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมตราบใดที่โยมไม่ลืมเอาจิตอยู่กับกายตราบนั้นโยมจะไม่ลืมอมตตนะอมตะได้เนี่ยเชื่อพระุทธเจ้าจิตเกาะกับกายเขาไว้มีปัญหาอะไรก็ตาม เอาจิตกลับมาที่กายก่อนอืเขาอ่านครับอาจารย์เ อ, อกายเนี่ยคือลมเป็นกายอันหนึ่งถูกไหมะฮะใช่ถ้าถ้าจะกล่าวว่าที่อนาปนาัฏฐสิทธิ์ที่ว่าพระต ถ, ถาคตท่านสรนเริญเนี่ยว่าลมเนี่ยถ้าถามว่าความหยาบของลมเนี่ยหยาบน้อยกว่ากายที่เป็นสังขารที่ตัวตนเนี่ยฮะมันมันมันละเอียดกว่านิดหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็ มันอยู่กับเราตลอดเวลาเหมือนว่าถ้าเราถ้าเราสังเกตลมอะไรงี้นะฮะแล้วเราก็ทิ้งนํามาทำใช่ไหมฮะที่อาจารย์บอกทิ้งเวทนาสัญญาสังขารคือทิ้งไปเรื่อยๆล้วจนวันหนึ่งเมื่อกายมันแตกดับไปคือมันก็เหมือนสากพิงกันอวิญญาณก็ไม่มีที่ตั้งก็ก็บรรลุได้ใช่ขอบพระคุณครับจะเรียนถามนิดนึงฮะวันนี้มีหนังสือพบภูมิครับ เพราะว่าตั้งใจมาถ้าจะรอปีใหม่ผมได้อ่านช่วงสอสี่ห้าวันจะได้ลอย่างไม่รู้ว่าพระอาจารย์จะเมตตาบางนี้เราตั้งใจมาแล้ววันนี้คือทีแรกจะให้ให้ตกลงแจกอันให้ให้ทำในระบบการขายก่อนนะเพราะทีแรกจริงๆไอ้ที่แจกเนี่ยทำไม่ทันหรอกเพราะพิมไม่ทัน จริงๆก็พิมพ์ทันแต่ดันผิดไงทราบไหมาว่าผิดไปเป็นหมื่นเล่มเลยโลงานใหญ่เล่งมากจับนะยิงยิงเพจผิดแต่ทั้งนั้นก็รับผิดชอบทั้งหมดนะเนี่ย ก, ก็เลยเลยเลยไม่อยากไปเล่งอะไรก็ามากาเล่งพอประมาณ <laughs> ดีท่านโต้ตรวจเจอไงได้มาแล้วล็อตหนึ่งที่ไปแจกให้พวกน้ำบุญนะนะ ท่นโตไปแต่งยังหวัดไปนั่งดูอ้าวสารบัญหายไปต้องหลายเรื่องนะสารบันต้องมีร้อยห้าสิบเรื่องหรือร้อยสมสิบเจ็ดเรื่องแต่เนื้อหายังอื่นรบหมดนะอ่าก็เล ย, เยไม่เอาออกไปดีกว่าดึงกลับมาใหม่หมดมมแต่ตอนนี้ถึงถึงคลังสิเอ็ดแล้วแหละแต่อยู่ที่สิเอ็ดจะแจกไปเมื่อไหร่ เห็นเมื่อเช้าใครบอกว่าก็จะได้วันที่แปดใช่ไหมแปดมกราของเออเออยมออนี่ถ้าแปดมกรามันก็จะช้าไปเนาะจะช้าไปสำหรับสำหรับผู้แจกฟรีเราแจกฉลองปีใหม่เลยดีกว่าเลยว่าเดี๋ยวจะแจกเนี่ย ฉลองปีใหม่น ะ, ะนอาจารย์หมายถึงคืนวันที่สาสิเ็ดหรือว่าวันหรือว่าคืนวันเสาร์ผมจะได้มาถูกนะเพราะว่าอยากจะได้มารับจากมือพระอาจารย์หรือวันที่หนึ่งเลยหรือว่ายังไงครับผมจะได้มาถูกการมาทําบุญด้วยทำจาจกสามสิบเอ็ดมันจะเหลือถึงหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้เพราะมันมากระจ้อยเดียวเยอะกระจ้อยเดียวเนี เราจะแจกวันที่หนึ่งวันเดียวมันมีไม่กี่ร้อยเล่มเองอยูนอ่นะว่าจริงๆสั่งไปเป็นหมื่นเล่มเขาพิมพ์มไม่ทันแล้วมันก็ปิดงานกันหมดแล้วเนี่ยกลับหมดแล้ะอันนี้ก็คือลูกหลงมาเลยลูกหลงมาให้หน่อยหนึ่งคือลู ก, กลกสาวอ่ะคะ่ะได้ได้ไปนต้องแจกแจกวันที่หนึ่ง ด, ดีไหมน ะ, นะวันที่หนึ่งดีกว่าพร้อมๆกันเลยทีเดียว พระจารย์คะหนังสือพบภูมิอะค่ะลูกสาวได้ไปท่องพระสูตรแล้วได้จากพระจารย์นะคะเมื่อวันที่ท่องที่เซนต์ท well ัเว really ิลล์เขาอ่านแล้วด้านหลังเป็นพระสูตรนิพพานเยอะเหมือนกันนะคะค่ะไม่ได้มีแต่พบภูมิใช่ๆก็คือการเรียงลำดับเนี่ยจะเรียงลำดับเป็นกรอบใหญ่ด้วยไงอันนี้ก็ไอเดียท่านโตนะท่านโตเนี่ยเห็นภาพแบบ ต้องเรียงอย่างนี้นะหนพบเป็นยังไงก่อนนะแล้วก็สัตว์ที่ไปสู่พบเนี่ยเป็นยังไงอะไรคือสัตว์อะไรคือพบอะไรคือสัตว์แล้วก็ไล่ตั้งแต่นรกน ะ, ะไปใช่เดรัจฉานเปรตวิสัยขึ้นมามนุษย์ขึ้นไปเทวดาน ะ, ะแล้วก็ไปบอกว่าสังสารวัตเนี่ย ยาวไกลมากเนิ่นนานเหลือเกินที่เธอเดินทางมาเนี่ยนะให้เห็นว่าตั้งแต่นรกมาเนี่ยโอ้พวกเราเดินทางมาขนาดไหนนั่งอ่านมากี่ร้อยหน้าแลเดินทางมาท่องเที่ยวทั้งนรกทั้งเปลทั้งสวรรค์อะไรเนี่ยเอาพสูรที่บ่งบอกถึงการเดินทางอันยืดยาวนานของสัตว์ทั้งหลายมาอุปมาของกับกับหนึ่งเนี่ยขนาดไหนให้เห็นแล้วก็ ปิดท้ายด้วยการที่พบแม้ชั่วรัดนึงมือเดียวก็ใช่ไหมหน่ารังเกียดเหมือนมูดคูดนิพพานดีกว่านานะเนี่ยมันมีการจัดลำดับภาพรวมให้เรียบร้อยด้วยแต่โยมไม่ได้อ่านนะคะเพราะว่าลูกจะอ่านไม่จบ ใช่ใชไม่ไม่ได้ยากเกินไปขนาดนั้นเพราะเพราะโยมแค่แค่ดูนะโยมแต่โสดาบันก็คือแต่พระหลานแต่ยืดไปอีกเจ็ดชาติแค่นั้นเองดังนั้นเนี่ยแต่โสดาบันให้ได้เนี่ยน่ะแล้วทีนี้โสดาบันให้ได้ก็อะไรเวียงไอ้พวกโกตัวลวมงคลทั้งหลายเนี่ยเวียงออกไปใช่ไหมอะไรที่ไม่ใช่คําสอนพระเจ้า เอาออกไปออกไปจากใจเนี่ยโยมมันเข้าโสดาบันแล้วอ่ะใช่ไมมันจะยากอะไรใช่มมีทานการให้มีความมั่นคงพระรัตนตรยัยใช่ไหมศีลห้าบริบูรณ์อย่างเนี้ยอ้นิพพานเห็นใสๆนะ่ะใช่ไหมาวางความพอใจเรื่องเหล่านี้ไอเรื่องผิดๆทั้งหลายแค่นี้โยมไม่ไปข้องแวะไม่ไปสนใจเชื่อมัน่นผู้เจ้าถูกสุดเนี่ยอา่า เนี่ยมันแต่โสดาบันเพราะแต่โสดาบันแน่นอนยมได้นิพพานแน่นอนมีอัญจะตรัสรูพร้อมในเบื้องหน้า <c oughs> เดี๋ยวอินทรียยมจะเดินหน้าไปเองอะเดินหน้าไปลาดเอียงโน้มเอียงเทเอียงไปสู่นิพพานแล้วนี่อย่างเนี้ยเห็นนะมมันเออมันไม่เกินเอื้อมอย่างโยมว่า น, นั่นแหละไม่ไม่เกินเอื่อมขนาดนั้นเนี่ยพอเรามาเรียนรู้คุณสมบัติของอะิรบุคคลแต่ละประเภทแต่ละประเภทแล้วมัน มันพอมันพอเข้าใจได้แล้วมันก็มีความหวังแล้วใช่ไห ม, ม <c oughs> ไม่งั้นทั้งพระทั้งโยมที่ปฏิบัติอยู่มันมืดๆยังไงชอบคนอยู่นะมันก็เอ๊ะมันจะไปยังไงว่าอะไรยังไงมันไม่ชัดเจนอะไรสักอย่างอย่างนี้เหมือนเรามองแผ่นที่ทะลุแล้วทีนี้ใครจะปฏิบัติได้ถึงไหนแค่ไหนก็ตามอินทรีย์แต่ละคน อาละมาก็นึกถึงแบบว่าสมัยเดินทางไกลปล่อยเดิน น, ะ, น, ะ, นะปล่อยเดินไปอ่ะเดินไปสี่สิบห้าสิบกิโลนะก็ทุกคนรู้เส้นทางหมดมีแผนที่รายเรียบร้อยรู้บางคนก็เราเดินไปก็เจอเพื่อนนั่งแวะกินข้าวคุยกันมางก็แลวพวกนี้พักแล้วก็เดินอย่างเดียวไปนะพวกนี้เอาท้องเสียข้าวซั่วมาะอันนี้ช้าไปอีกละเรียบร้อย ก็ผ่านไปแต่ละคนแต่ละคนมันก็มีเหตุมีอุปสรรคของแต่ละคนน ะ, ะถึงคนแรกก็มีถึงคนสุดท้ายของพวกก็มีนะมีหมดเลยน ะ, ะเนี่ยไม่ถึงก็มีถูกงูตะขาบมาแมลงป่องกัดซะก่อนเ <c oughs> ท้าพองเดินต่อไม่ได้หนังหลุด ถ้าไปเดินกลางคืนก็มีอยู่คนหนามเกี่ยวตาอา้าวจะไปส่งโรงบ้านอาอ่ะไปไปไม่ได้แล้วนี่อืม ก็อยู่ที่ว่าคุณแม่ยมเป็นหนึ่งในบุคคลสี่จำพวกไหมสัมมาสัมพุทธะไหมเป็นพระปัจเจกไหมเป็นตถาคตาสาวกโกไหมเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิไหมดูแล้วก็ข้อสามอาจจะพอมีสิทธ์นะตถาคตาสาวกโก ก็มาดูว่าตถาคตาสาวโกโอมีอะไรบ้างภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา อ, อันนี้คุณแม่โยมใช่ไหมคุณแม่โยมก็ต้องมาดูอุบาสิกาอุบาสิกาก็มี2ระดับประพฤติพรหมจรรย์กับบริโกกามโยมก็ต้องกลับไปดูคุณแม่โยมว่าโ <c oughs> ยมแม่ของโยมเนี่ยรักษาอุโบสถแปลกประการหรือว่ารักษาศินห้าเป็นปกตินะอ่า รักษาสินห้าเป็นปกติมั่นคงในพระรันาตนตยอย่างนี้นี่อุบ า, าใช่ไหมโสดาบันถ้าเธอมีสินห้ามีอุโปโสตแปดประการนี่คือความเป็นอุบาโอุบาสิกาในพุทธศาสนาอ่าก็สมควรทำสถูปหรือเจดีย์ให้อ่าอย่างนี้ก็แสดงว่าเก็บได้อยู่นะแต่ถ้าไม่อยู่ในกรอบนี้ก็สลายไปนะ อ, อย่างนี้ ก็ยังไงก็ได้พูะเจ้าก็ไม่ได้ระบุหน้าตารูปร่างแล้วแต่มันจะได้มีเหตุผลรองรับในการทำไงว่าเพราะพระุทธเจ้าตัดไวอ้อย่างนี้อย่างนี้เราก็เลยทำอย่างนี้อันนี้พูะ <c oughs> ุทธเจ้าบอกบุคคลใดเนี่ยมาถึงสถูปของบุคคลสีส่สัพเพเราเนี่ยจะเกิดปิติ นะ เ, เกิดความเลื่อมใสเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นได้นะนี้โยมน่าจะบอกไหมว่าทำไมเหตุปัจจัยอะไรจึงสร้างเจดีนี้ขึ้นมานยะโยมน่าจะยกประสูต์ของพู้เจ้าเนี่ยเขียนไว้ใช่ไมสมมติเราทาเจดีให้สร้างประสูตรไว้ว่าพุทธเจ้าตัดเรื่องถูปาราบุคคลบุคคลผู้สมควรทำสูุภัยเหตุปัจจัยเพราะ คุณแม่ดิฉันเป็นอุบาสิกาผู้บริโภคกรรมนะรักษาสิ่งทาบริบูรณ์นะอย่างนี้ก็เลยเป็นเหตุปัจจัยให้ดิฉันนะสร้างสถูปให้มารดาชื่อนี้ชื่อนี้พอคนเข้ามาโอ้รักษาสิ่งท้าไม่เคยได้ยินสินงท่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปศึกษาสิได้ต่อยอดศาสนาไปอีกไงได้ไได้เจอพระสูตรพู้เจ้าพูะเจ้าตัดว่าอย่างนี้อย่างนี้นะอย่างนี้ ขยายผลคำพระสัสดาประกาศคำสัสดาต่อไปอีกอืมอืมอืออฮอฮ มีห้าอย่างห้าอย่างสับปริสถานห้าแล้วมีมีสองนัยยะด้วยมีนัยยะอื่นอีกอให้ให้ด้วยความเคารพให้ด้วยความนอบ น, อบนอบ้อมให้ด้วยมือของตนไม่ให้ของที่เป็นเดนเห็นผลที่จะพึงมาถึงแล้วให้ให้ของด้วยมือหมายถึงว่าก็คือให้กับมือมือเรา ใ, ใช่ มือเรากับมือเขาเนี่ยแหละคือแล้วสมมุติว่าเราซื้อเราซื้อสังฆทานมานอย<า>่างเงี้ยฮะรวมตังค์กันอย่างเงี้ย<า>แเราสมมุติผมเป็นตัวแทนอย่าเงี้ยถวายแล้วคนอื่นเขาจะได้อานนี้ส่งด้วยไหมก็ขาดตกบกพรองไปเล็กน้อยไม่เป็นไรมัน <laughs> แล้วการต่อทรงต่อสอกันมันจะมันจะมีผลไหมฮะไม่เกี่ยวกันใช่ไหม<อ>ถวายาาเจตนาเจตนาพระ เ, เจ้าเจตตัวเจตนาเป็นหลัก เรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรร ม, มก็ไม่ได้บอกการต่อมือเป็นกรรมถ้ายมกำลังต่อมือแต่ใจไปชอปปิ้งที่ไหนก็มีเจตนาไม่มีหรือว่าให้ตอก็ ต, อ, ตอไปว่าลำคาญจริงทำอะไรเนี่ยไม่มีเจตนานเนี่ยเจตนาสำคัญ กันครบแล้วมั้งมามากันครบแล้วใช่มอ๋ออ อ, อบ่ายมมงแล้วเดี๋ยวจะได้ไปพักกันเนาะอขออวยทนายกับพวกเราทุกคนนะให้มีความเจริญก้าวหน้าในธรรมของตถาคตนะให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิด